สำหรับหน้าที่ของมูเฮ้าใอ้หลุจักประมาณจะคล้องมูเฮ้าในเรื่องราบเรื่องงดเฮ้าสิไปเอาหลวงปู่าขาเข า, า, า, า, ามาเทียบกันกับวัตถุเฮ้าจะไปเอาหลวงปู่มหามาเทียบกันกับวัตถุเพิ่งเป็นอย่งไรเฮ้าเป็นในสันก็บวัตถุคณะของมูเฮ้าเขามาเห็ดน้ำซัมเนกอะกระบุลลงเก่าลงกระมอมแล้ว สมทนาเอาห้องเหาแล้วเราสิทําตัวเหมือนลุงปูมหาท่าตัวเหมือนลุงปูอ้อนปูฝันลุงปูแหวนลุงปูขาวมั่นกับวัตถุก็เรียกว่าวงจักรประมานตัวหลวงท่านอารอดว่าสำหรับมูเห่านี่มีฟูมากินมาท่านนําซ้ำเนี่ยคอร์เคลนี่ยสสมทนาของมูเห่าแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติตัว่อทุกข์นะเดี๋ยวจะไปวุ่นมั่น ข้าวอึดข้าก็เห็นตราด้ตราผาจะคนไปบินสบายสมิตรผ า, าไม่ไมเ อ, มไอี่ยมเท่านั้นผูดไดไปก็ได่ว่าอึดน้ า, าสัน่นก็พอเห็นแตงเงี้ยกินคือกบก็พอได้กินอยู่หมูหอว่าอึดุฏีวิหารก็พอเห็นเด็ตราควนจะคนก็อนพอได้อยู่อยู่มเป็นคว ม, มังไงไฟสูงของหมูห่อซื้อที่มันผสมะสมอสม่ะหวของสัตวเอาหลอดว่า ไปบินธบาทได้แต่เขากัาว่ารามเรือเพื่อพ่อปฏิบัติควรทุกได้เยอะดอกก็ราะนท่านบอกในอนุศาสตร์เนี่ผาเปลือกไม้ก็ดีก็ป่าที่กะโผ้เสียผ่าไม้ผ่าแพร่ก็ดีช้านั่งผ่าเปลือกก้านก็ดีทั้งผะาผ่าทั้งสามอย่าง ตัองหายางเจือกันอันนั้นเรียกก็นหนอ่อยกว่าดีโพมะว่าเปลือกใหม่กว่ า, รรร า, า, วา ด, ดีอติเรศลาภโหลาภสมควรนี่ยพ่อทิบัทวผลทุกายุดอกนี่อนุสาสั่สนว่าจะบินดีญะโลกพระพุทนั่งเนี่งให้อนุญาตไปบินทบบาทได้เจ้าว่าเขาสิให้บ่ใหา้ ก็ว่าหลาบเหลือเฟือแล้วพอจิตแพทย์คนทุกข์ได้เยออกเฮ้นี่ว่าน ม, น ม, มนตรถจีบพืดพืดื ด, ด, ด, ด, ดมากหิวมอเขียวมากใ้เกือบส่วนสูงมาเจาแขเจ้าแขกมากสิจิตแพทยว่าคนทุกข์ตอน้เฮ่ามูเฮาสูงนี่มันเป็นสัญลักเดี๋อวนี้ คือาอากาศพอดีเลยอากาศพอดีพันไหเว้ยใหญ่พระคับบออุญไม่หลักตัวปวดกระดอกกรรมฐ า, านเสื่อมมันเสื่อมออกจากไห น, นมันก็เสื่อมออกจากเรืนอนโยกรมเพราะว่าหน้าหันละมันบมันเสื่อมมาแต่ฝ่าที่แถนเดิมันเสื่อมมาแต่มมหัวใจค แ ล, แ, แล้วนําจากของควานออกอะไรกัน ล, นลนนื่นเดินยงกลมพ่อวาราะว่านอัดนักับของเอาตื้นมือเศ้ายิ่งชี้หูชีตาไปบินถบาดสิลุกไวายพระเที่ยงขึ้นกับบลุกสิลุกเดิอนอยงกลมเที่ยงขึ้นกับบลุกเอามึงเศร้าพองเอาพ้องเอาหนวยันเปลี่ยนไปเสียใจนั่นนึกกัไปตัวามากคนี่พานม่มี่ท่นละ เนี่ยผมกอเว่นแตนอนหนึ่งนอนสองคือคือหมอนนอ น, นหนึ่งเทไงนอ น, นหนึ่งก็ว่างนี้แล้วล่วางสันยังคั้นแล้วนี่นอนสองอย่างผมก็คืออีกซ้ำอีกใบาสามากกัสิหูสีตาแล้วกับเขาปอบ น, นี่ใครเอะแดอกสม้ไหมก็แอกสิหูสีตาแลวออกมาก ไฟปรอดเนี่ยนะว่าเป็นไปจิตใจเป็นมันเนี่ยนะว่าหักท่างกลมพ่อหน้าจิตใจปุงแตงแต่ของผาญออกผลหลายกลัวมั่นกับอะไรกูขาดทุนเนี่ยมังเว้นมืนเนี่ยมังขึ้นกูก็ซีเบิกควายหลังก็คืดเด้อ เนี่มึงเว็นกูเด็กดกู้เบียบกูงานนั่นั่นเว้นกูอยู่ทังโลกกนกูเฮ็ดซ้ำซํากูเป็นพระอยู่เดียวนี่ก็เพรากินคือกันนะกูจะถือว่ากูนะบอกทุกสันว่าลู้พรกินขึ้นกันนะูเพรา็กินพราะไส้คือกั น, น, กนะะอนนน ะ, ะ, อน ะ, อนนนะจงรู้ัวนี้ย่งเดสมท่านถึงชี่ทุ่มหละเอื้นหาพอละ เพียงขึ้นกันยังพุทธลูกได้ขนาดให้หนูได้รับเต่นกันยามเพียงขึ้นหรือยามเพิ่มต่างขึ้นกระลุกเนี้ยลุกเคลืหน้าเคลต่อพราวาหนาเดิมือผมภาวนาที่ชนะธรรมะธรรมโมของสวเนี้ยึ่เรเศร้าเหมันจังทั้งชาเป็นพระลรหันไปเป็นทบบาลโลดเมื่อเก็เต็มที่พุทธเนี่นะ อยู่กับหลวงปู่มันกับหลวงปู่มห า, ลมาพลเม่าผ้สวดมนต์ขวดเสียงหิย่าหโยมได้ยินหรอกวันที่พระท่าของเพลิสนสวดโยมตีละครั้งประกาศตีละครั้งลุ่งสวดมนต์ขวดเสียงรอจิ้นข้าตรงขนมเพลิน หอกกินกระตงขนมผู้อื่นบัมี่นี่ยปฏิปทาของหลวงปู่หมันหลวงปู่มหาดอกซึ่งึ้นมาตีสีหรือตีสามเสร็จีแล้วขั้งไปสวดมนต์เพื่อขอได้ยินเสียงแน่พอได้กินปนเขาบด้มี่นี่ปฏิปทาของหลวงปู่มหาดอกหลวงปู่หมันดอกเต้องเฮ็ดสันบเฮ็ดสันกบบมีนี่เ็ดโดยสันกรรมฐานเาบม่น่าที่ไปเฮ็ดสันเลัน พ่อเวลาหน่อยเพิ่งวางสิภักรหลายกระทรว ง, งาย่อมเงีออยบเอาของภัยของมันภัยแด่เต่นโ ม, โมูกสวดวเต็นโมูนันภันยแดดตโมโมอทีอทิปิโสกสวดแตอีทิปิโสหันภัยเสวะพุทโธทาโมสัง้งพวสองข่วงท่านก็ตามให้นักท่าพรวนาเพิ่งบอของสั่งหลวงปู่มันหลวงปู่มหาคือกเพิ่งกะทรวงร่วมกันงจมือหลวงวบัวสดก็มือเขาพันชา้าก็ิได้อธิษฐานพันช้าสึ่ง น, นากัน กับมือวันว่าขะวิสาขาสะฉะนั้นแล้วเราดันของไฟของมันอ่ะบนันจะไปส่วนนวดอวดเสียงดอกอยุบกับล้งปู่มันชิ้นดาสวดต่างปลากะมั่งเพิ่งก บ, บ่พ า, าสวดล้องปฏมิมมกในยุกเหมืน้องพืนยุกอื่นเหมือรับร้องไม่ได้สั้งโค้ เตณปตาชานาตาปัสตาลาตาสมาสมบุเทนะโอวาดาปาติมุขั้งตีหิงา่าหิขั้ตีปรมังสโกตีติธานิ b b a าังปรามังวะดันทิบุตถาปันตัญจะไสนาสนังจะหอดุลอธทิกิเตจายงูเอตังมุตธานาซาสนันติก็เศ้าหันชินเสระตังบพภะสัว ถ้าสีตาไม่ดั่งเขาบอกผ้าสวดหลวงปู่มาหาผ้าสวดดู น, นั่นหลวงปู่มาหายุบ้านหัวไช่คนท้าลงแต่เศร้ารูบัวสดเพราะรมันมีวัดอื่นมาร่วมมันมีทนายหลวงปูง่คงแก้วเพิคนโคลงพอเพิ่ะน พ่อสรวจตัวทีโมกยกก็บม่หาไปบินทาบานละ่ะพ่อได้อารุณเพิ่นกับผ้าตรวจละ่ะอาจารย์ทิงทองอยู่ต้นมูอุ้นอาจารย์สมอยู่ต้นมูมาหาอาจารย์ทิงทองเปลี่ยนว่าละกันหรือมาหาเฮา หมหาปลัดเพ่งวันไปวนมายัางสันปลัดเพียนยังมาน้อย่ำพันเอกได้ดอกปฏิโมก่์เฮาไปได้ปฏิโมกบุกผุนนี่ผู้เก็บพ้ะง่าผู้น้องปู้กเทศไล่ขาสวดที่หนึ่งคนในจย์สมบันนาชิดาที่สอ ม, มันเฮาพ่สาบรรดารุนวันไปวันมามหาปินกับวไดใดญ่ทาดอก กติโมกมหาตายยือดอกบม่ได้สวดดอกบม่ได้ไล่ดอก๋อกอกมาอยู่นีน่นี่ห้าไปคั่ยู่4ี่ปีนี่คั่ยุ้บรเล่านี่ก็ติโมกหลวงู่มีม่ อ, อ, อาจารย์มหาวุฒมไร้ขาห้าสวดพรใพอใจาจารย์คั่มนระอาจารย์คัมาอยู่ผู้พอปีนึง อะไรมันเป็นเวรกันมันเป็นเวรยังไงวัาตีห้ามาอยู่นี่เขาต้องเที่ยวไปอุบโบสถนรผู้บริจารหามหาวันนี้พวกยี่มาเล่าเดี่ยวมาหาเขามันเป็นเวรกันท่านเวร น, นัาสนองเวรคุณย่าบอก่านีพูละเ้าวตายพูละพวกนี้ยังสิได้ไปหามูตัววัดตีเจตนป็น้าวตายเเหยียดมาร่าอุโบสถเพามันโนไปเจ่โบเวร วันนั้นจะตายเนาะยึดขนไปอุโบตัวแต่หมดะไม่เห่าท่านน่ะพี่น้องเ อ, อ้ยยูไก่กันหนะักเพิเชื้อเพิ่มฟ้ายักษีวายยังไงล่ะยูไก่กันออนักก็อกะเอาเบากะสูจามิติกาลังห้องไฟห้องมันแล้วมูเฮ้าก็พ่อเปลี่ยนไปยูปรอกปัสแจทีไฟยูบันไนกับพ่อไดยูไดกินไดใส่ไดซอยยูบ่งสันอึัญญากษ แต่มีไต่างแขกปฏิบัติตามสิทธิคำร่างของฝ่ายของมั่นเท่าที่จะเป็นไปได้เท่า น, นั้นละแนว อ, อื่นโมงีแนวพัดของพวกปไนไอได้ยังเนอกจากเข้าถิ่มไง่ายไฟสูงเท่านั้นการเข้ามาง่าย ไ, ไฟสูงนั่นเป็นนิทานอึกอ้างนั่นก็ประจับบาบรรไว้แล้วหันเบิงไหลทอกแตกตายหมดเนาะ ทานมาห้องที่ปฏิบัติมูห้องกับพอปฏิบัติอยู่อุติวิหารกับพ อ, อยุสุธานทุกคนนะวาน้ำมือกับพ่อได้ใส่สุธันทุกคนห้องกับพ่อได้จับการจัดงานืนในวัดในว่าพ่อจะหาเงินชิเงินหาที่ังมันกับพ่อเป็นไปได้เยอะหรอกวันที่เอาไปน้าได้กับมันบนพระวนาพิระแต่ว่าส่วนเนี้ยอื่นเทาเฮ็ดก็เอาไปน้าได้อยู่ เฮ um, ็ดซิงที่ประหนอกเนื้อทำมาวีไนสาหรับฐานะของม่เฮ้ามีผู้ปฏิบัตินาม่เฮ้าซํานี่ก็เอาละเนโยมผสมฐานะกระเผ้าเขาปฏิบัติกระเผ้าดีก็นี่ไปอีกเาผสมฐานะเผ้าคือการอะไรเขาก็บอมนี่คือกานอะไรเขาอะไรบอว่าัอรดว่า ไ, ไกินกพืดิจีสียานก็เอาละกินลองเลยไยาม่เเาวนหน้าอันใดสุดเข้าวนหน้าอันนั่นละันเขานักไปทางธรรมะปัใ จ, จซีมันคอยเป็นมาเองรอกขันแล้วเาหาไรบัดขันแหะนี่้ยขันอรรถรสก่มันเนี้ยจห า, าจะะหว่มันเนี้ยจะเสวงในวัเดียวนี่ มันแสวงล้ายมันแห่ซ่ําเมื่อวานครับเขาปฏิบัติหลังเพื่อผลทุกขนะว่าเจ้าทงสามมาค่อยเป็นมาเองหรอกถ้าพ่อเพียงเข้าติกินสีใส้นี่พทอด้ไปเป็นซื้อมือยช่หรอเห็นเพล่นมีรถเข้ากากจากมีเห็นเพลินมีเรือเข้าขากจากมีเออเห็นเพลินสางลงพยาบาลเข้าก็กจากสางแล้วเพลินขาวินตายแล้วเนี่ยน่ะอันนันไม่เล็เืองของเพลินเพล่นก่เหตุสมานะของเพลินอ่ะ เพื่นบมเห็ุมันเก่าบพบถือเพราะมันไหนมาโดยเป็นท่ำโมเหตุสมธานะเพิินสามชาเข้าเสียข่รยไม่เป็นนั่นสั่งกับห่วยทาววิดีนตายเห็นหลวงปูแ่แวนสาวลงพญาบาลทรา้สั่งทรา้ลึบข้ากขสิยักสางเห็นหลวงปู่มหาสางข้ากขสิยักสาปงปู่นหนึ่งคอยสีพุมคือกันราวสั่งห่วตายโรดท้าวิีนโรดเนี่ยแ่ะ มันวอกหรือรักหัวหรอกบอกมันหัวจจป้อมอ่านจะฟ้องก็สะตายเนี่ยจะมาถามทางร้ายมันร่วมอยู่เมื่อแล้วเมื่อนมวยอมร่วมได้คิดเท่านี้แหละพวกตายมันก็ร่วมลงเป็นหนึ่งะสีตายทั้งเมื่นทั้งแสนทั้งโกดทั้งล้านทั้งคือจิวเซอเรียจิวเป็นหนื้อสรางสามสีเงาอกก็ตามมันก็ร่วมลงตายอันเดียวเท่านั้นเสมอกันารมุนาของไส้ แกก็คือกันถ้าพระแก่ก็ร่วมลงมาหนึ่งเท่านั้นหนึ่งแกเท่านั้นในปัจจุบันท่านละ่ะขุน พ, พระผู้พระธถ้มพระสงฆ์ทุกทุกพระองค์คือรวงปแล้วที่ทิมาในขังหนาก็าดีก็มารวมลกเป็นเอกคุนในปัจจุบันหนึ่งมท่นนานล่ะใหญ่โตหอฐานภายในก็ร่วมมารวมลงเป็นหนึ่งหันวัดนะหอฐานขุนโมมันว่ดเที่ยงในใจโลกธาตุ ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันก็มาร่วมลงเป็นหนึ่งฮะล่ะในปัจจุบันฮะล่ะเพิ่วยควิมเน่าก็คือการเพิ่มกระดูกคือกันสิมีต่างมื่นห้างล่าห้างโปดห้างก็ตามมันก็มาร่วมลงมาเป็นหนึ่งกระดูกฮะล่ะตามสมุดฮะล่ะถาดเดินคือกันมันสิมี้ทำได้ก็ตามมันก็มาร่วมเป็นหนึ่งในปัจจุบัน อเอกาปัทวีธาตุหักของฉอารถสัขานทั้งหลายมันสิมีใคก็ตามมันก็มาร่วมเป็นร่วงเป็นหนึ่งในปัจจุบันเอกาังขานทา่านล่ะเกิดขึ้นแปรปวนได้แตกสลายขนมันสิแปรปวนได้แตกสลายต่างมืต่างล้านต่งโกตุสติลเรติวเป็นนิวซางสาสีเ ง, งบออกจัลลามาเรีวนก็ตามมันก็มาร่วมอยู่ในปัจจุบันในเมื่อนี่ขันวาจังฉันเท่าก็ตองสงใสแต่นาบาพี่นสัน อันนี mind, ้จังทุกคังอนัตตาก็คือกันมรรคผลในพลานก็คือก hmm. ันก็มาร่วมลงเป็นหนึ่งท่นล่ะศีลสมาธิปัญญาก็ร่วมลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันอั่างล่ะของสันเอารถศีลสันไหนก็คือกันสันศีลสันพระสวดาบัณสมาธิสันพระสวดาบันปัญญาสันพระสวดาบันก็มาร่วมลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันคือกันสันพระเจ้าพุทธค่ามีอะารคามีอรหันต์ก็คือกันคำบุญ่ราลงเป็นหนึ่งล่ะบ่บ่ได้บ่แม่นเออ ภาวนาเลี่ยงแบบบดตสิ่งพวกสงสัยบอกของสั่งขอวัดไายนอกอันนี้มันมีมันเกิดมีมากอสุเป็นน้ำเป็นนิ้นกันผู้่ออะไรที่ปุงสิทธแดงคือกสร้างคันเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสานานั่นมันบมเป็นเทียนเป็นน้ำน่ะให้พากันเฮ็ดช้อยกันอาจสจุเสียเปรียบกัน นี่อันหนึ่งผู้ลังควนเห็นผู้น้อยแต้งขึ้นเห็นผู้น้อยเฮ็ดขึ้นแต้มว่าเป็นประโยชน์เตือนร่วมเราเป็นผู้ใหญ่ใบหย่างย่อมเฮ็ดนาเขาแบบนั่นกับวัตถุเพราะมันเป็นประโยชน์เท่ากับเฮ็ดนำโลดถือว่าอย่างไหนขอวังสันแบบหนึ่งผู้ใหญ่ผ้าเฮ็ดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เพรากระทบกระเทือนนี่ยังวังสันถ้าก็ยิเพ็ดโลดออหัวตาเป็ีนพวีนัยยิงกระเลนีเยสูทักตา ความขยันเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนพิสูจน์ธรรมเนีธรรมกาณาความใกล้ในพันที่ชอบวิทยะเพียงเพื่อเจรนะความชั่วของชุดความดีแต่สัญญุตยินีละถ้านุ่งผาห่มอาหารที่นอนที่นั่งรนยาตามมีจาได้ก้าวสติจําการที่ทําและทํำสิผุดแล้วแม่นานได้สิปัญญารอบรู้ในกองทหารจำเป็นจริงอย่างไรทถาวัตถุคือถอยคำที่ควรผูดเชิดยาง อภิจักถาถ้ายคาที่จะนาให้เป็นความป่าชนะน้อยสันตุทิฏกถาถ้ายคาที่จะนาให้สนุกเนนี้เราปัจใจจำมีจำได้ไปเรกะักกักขถาถ้อยคที่จะนให้ถนัดกายถนัดใจอสังสักกถาถ้อยคที่จะนาให้ักคนด้วยหมู่หมายความว่าหูจักเือดดุกมหูจักพระวานาเมื่อมันสิงหจักงจะคุยกันสุงสิงสุงสิงุงสิงของยาเกี่ยวงอนวานหอหูจักวบหูจักหลีหูจัก เิจกกรมหู่จักผ้าใบหนะ้าหุจักการหูจักงานหูจัก เ, นะเว้าเยอนี้หนะ้ามันสะดวกแล้วเนะี่ยพ่อาบยุคพุทธไทยกัได้ไวจํำเป็นสิส้งสิงกันบนเดี่ยวงานงานมันเกิดขึ้นน้ามนนักก็ต้องซ้อย ก, กันเสืพ้ากันเบิงมันมากนมิน มันก็เป็นประโยชน์แก่สังคมของมูเฮ้าหละล่ะฟอกหัมันแหลวห่อหัมันทัวซออะไรห้ า, หากซอยเนี่ยบนอกเหนือทำมาวไนมันจะเป็นอย่างของไทยของมันเราดีองไทยของมันมันขเขาดอกแถงใจคู่บาอาจารย์สิ่ตัวมันจะแ ม, มียเล บางสิ่งบางอย่างสาหรับสงบมเห็นถ่องด้วยนี้แต่ว่าคู่บาอาจารย์ประสงค์แต่ว่าสิ่งที่คู่บาอาจารย์ประสงค์นั้นคู่บาอาจารย์พูกเป็นเนื้อมูโ่แมนซิฟัอนพวกสงมัสสูแนวเลยตอนไหนสงโมเป็นร้ำนี่เพิ่งกิบว่าอานนั่งคือกันแต่ว่ายังไนเสียง สงับรองในระบบสงในสังคมนั้นว่าเป็นถ้ำมัสสุอันสุเนลเนื้อคูวาอาจารย์สงับร่องในระบบการสงับร่องในคูบาอาจารย์ท่านเกตน้าที่อยู่อันวันทองกองท่านอรรว่าสิ่งใดเพ่นเห็นดีแต่ว่าสงทางร้ายเ่เห็นดีน่แต่สิ่งที่เพ่นเห็นดีน่มันบนออกเหนือทำมาไว้ไมันก็จาเป็นต้องในเฮ็ดน้ำพนเทระประสงค์อันนี้มันก็มีอยู่สย่วสั่ ที่สูรอะไรเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพที่สูนั่งเที่วฟังคอยคำฟังข่ในวันนี้ในอภริหารอยทำทึ่นี้สงฆ์บว้อมเพียสบสงฆ์บวเห็นดีนัวันแต่พระเทระเห็นดีให้เฮ็ด่นเฮ็ดตามพระเทระมันพิษทำพิวในอันนั้นบกวนเฮ็ดมันบพิษทำพิวในเป็นนิรัพิีมานะแวบว้องกันว่าจะเขีจะซื่อมันก็จำเป็นจต้อง้เฮ็นดนำพระเทระเก็่ไว้ังไสั่นเทระประสงค์นี่มันมีอยู่ อันนี้เป็นอาทีโมสงสมชักนี่ว่ามันผาเท่าสงเห็นความมืดันสีเฮตเตอร์เฮอติยังพ่นก็มีสิทธิ์ยกขึ้นกันนะทีว่าองไรสันเนี่ยผู้อำเงือกทมอะไเนี่นมมนพ้นบอกได้อยู่ไฟฟื้นก็เป็นเอาวัตทุกกอนขึ้นกันชุขคอนีใส่แ้วบอกอสันเอาโลดว่าถึงยางน้มอโแโอ้เสื่อมเครื่องเาบอกตอ น, อนี้แล้ว มูก็บเบยจักเงี้ดี น, ำไไน้ำภายในนี่กันเฮ็ดแล้วกขาเบยเต้นเนี่ยชว่างนด้แหะน่ยมันพิษทพิไว้ใบอกั่าบอกหั้นตอนนี่หละมูกับยจกเทนดี น, ำไไน้ำาไในหลั่นีบยจักเทนดีก็จำเป็นตน้องไอเฮตตี้พึ่รผสมของผ ม, มนี่ทันเฮ็ดแล้วเขาเก็บคล้องสงมาอย่างสันแล้วละ่ะนะยกตัวอย่างแบบนี้ว่าหรว่าจังไหว้ามากไมทันเบิ้นเห็นจพิพิษบมามมอบอยู่ตวัวล ต่อวัน e. ok> um> enfin> ี้เมือก็พเห็นด uh> ีนะเห็นนีแต่ห้องผู้เดียวห้ uh องพโลใสเอามันนี้เรเห็นดีห้องยังคืพโลวใสห้องไรขาเฮตตี้เห็น้แล้วเราดแเอาอยงทีไปว่างทหันจกเอาไปว่างอันจะวางไสิเพื่มองเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วเพิ่งเห็นนะเพื่อนกับบคนผีบ่าว่า บอ ก, กือทต่จะที่กินเอาแม่นบอกนู่นของจะเปพวกคัพเ้ยหลวงปู่มานเฮฟซี่ฐานมันตัวไหญ่เดี๋ยวนี้มันยังขาดฐาน ่าดสวมเนี่ยมันในเห็ดเป็นกะละเพราะหน้ามันสะดวกแล้วบาเ น, นี่เห็ดเนี่ยไรก็พเพราะเฮ็ดอยู่เหมนเห็ดสวมซึ่งกับเพรเห็ดอยู่น้ามันสะดวกแลวแต่วามันงานมันเหลือมือปีนี่มันเห็ดบ่ได้ปปิ้นอยู่ปากก็ได้วดมันของง่งาย คนจีค่านบางนี้เอาไปบวชชาสันโอ้ยมันชอบมาซ้อมโอย้อยโอ้ยโอ้ยใครว่าคนอีค่านว่าบวชได้ตุ้นเลือกลูกสาาเสาไว้พระเจ้าสวดมนต์ของที่เอามาใส่คือกันกอันนี้นมันจะเป็นตะต๊กอันนี้นมันจะเป็นตะเฮียเห็นโจกแก้วรื้ออย่งมันตั้งอยู่มอสิเมื่อก็ต้องเก็บเดชพระวินัยมีอยู่พระวินัยสอนมัดอัอนมุนี้ อังโลกังเล่คือการมือได้ควนจิตกอันได้เก็บซ้อยกันเมี่ยนจกเสียมคือกันเอาไปใช่แหละต้องล่างนเราลู้มันต้องล่างนี่จ ốc. บบลาังบ่าได้เสียมบาลางบลได้นี่เราู่มหาคือกันติพยีดินอื้อต้่ฟบลได้ ล, ล่ะถ้าหล่นอ่ะ ก็อเอาไว้เวลาที่ใส่มาหายไมัหงุดหงิอันนั้นยู่งปันหนอันนี้มันอยู่นี้เอามาผูคขอกันขูสังกะสีมันมันแนวเสียไปครั้งหน่ำขึ้นหนึ่งสองขึ้นน้องกูมันน้องกูมหาหาให้รดของแอนสำหรับครั้งหนามนี่อยู่แหละคนมองสั่งมันมันแนวเสียไปข้า้งหน่ำควางส่งตั้งกกขูใเ้กซ์ับคดินขึ้นกัน คไไึ้นึงบ่ได้นี่น้ำหลวงปู่มานห่ายรอดพูดทั้งนี่หลวงปู่ ม, มาหาคือไงต้องหาใหม่พายังมาห้องใส่พระเป็นจะใส่คนบอกองค์สิของสงตัวแห้งเข้าลบเพของจะคลองมาสั่งคนบอิคนบอกองค์สิเลยของอันมือนี่สำคัญเสืออคือกันใส่มือได้ซับพาแล้ว ต า, ตากระตากยุหันแล้วาาตากฝ้าตาขนยุหันแลหละเสื้อหาผู้ติกู้เขาไ่หยักมีมันกบรบเป๋าถือแน่นเมื่เคยเดือึกสือมาแล้วมัดตุภูทุกคนติกู้เขาหอมเขาหอมเสื้ อ, อที่ตาผ่าโบกูยเุเครื่อนเสือกรวดที่มันว่าเขาสนิมเดี๋ยนอกสาธารณะเกษณะคนโบกูกันะเสือบรวดที่ว่าเขาสนิมนนถึงแม้เสื้อไหวก็คือ ก, กัน แล้วในเฮียนหมดเด้ยน้ำลูกปูมันพาตากไว้ยังทีดเกตีมันดึงลวดเอาหลอดตีมาได้แล้วลิชาก็ต้องรับเขย่กเขย่าเขย่าเขย่เขย่าเขย่าเขย่าเข่เขย่าเข่เขย่ากข่เขย่าเบ่เขย่อเข่เขย่าเขย่าขาเขย่ย่าเขย่าเขาเข่ นี่น้องครูมาหาคือการมันเมืนความเพลินมั้งความเพลินอาภาวิน่ามาสอนมาบอกทุกคนดึงหั่โลดมันกระขาดถต่ว่าตูดผามาทั้งนี้คือดึงห่อมาโลดชาบมาโลด่นว่าป๊อเป็นวัตถุกฏเลยมัมา่าดึงห่อมากชี้ซ้อมากสิดึงร้องมาก ท่านต้องจับองมือเขย่าเย่อเย่าเขย่ า, า, า, า, า, าสองมือสิมันจิตส่วมันมาทางนี้ไมาจะพลิกก็คือการมนดึงรวดรวดในเหียนวดอันนู้นนี่ไฟยังนา้าปล่อยให้ยุ่งเขาเพิ่งก็หายมันบมมี่ใ น, นเขตเพชรตอนงอของฉันไายังหนา้าจะไปปล่อยให้ยุ่งเขา นุ่งขาวหลาบ้นเทพกับโมี่้างเที่ยวฝนบนต๊ะาวบันเทพกับโมีน้ำ ม, มีตัวสัตว์เอาโล้าหรือดินเน่เศรนฐวัตทุกข์เศรษฐบัตรไปจิตี น, นม้นนน ม, นน ม, มีตัวสัตว์บริโภคน้านั่นเน่เอ่ยบริโภคอาบมั่วไนเอีงน้ํานี่ยต้องปิดเอีงน้าน้าตีนขอเหมือนกันเอียงน้ำใส่กุดเจาะข อ, ของเหมือนกัน ต้องปิดตรงนี้ฟ้าปิดฟ้าเปิดมัให้ยุ่งกับใครใส่ให้มันเกลียบมันจมทำามันกระใครใส่กับ่อบประหะเทเสบนมันมีหน้ามันไอเทสเซดินหรือเสียหนาหน้ามีตัวชัดเทรสยาหรือดินมันเป็นอวัตตไกจุติมันมีอยู่ในภาวิไนขอนึ่งขอนยามันกับพวกเขาแล้ะข้าตา อันของมือเนี่ยมันเข่าตาเข้าหูมันจกีก่วพวกหูของหนุ่มของย่ามันยังปราและิสักข้าที่เท็สมมติว่าห้องมัหล่บไม่หยดพว้เท่านั้นก็หยาบจะกล่องเงินกล่องข่ำซื่งขึ้นว่ากับมีตะพูมาแห่ อาเสดียงค่ำผลมาเฮไปแทนไหนเขาก็ลบมือเป็นหอนแต่ว่ากิเลสของเขาน่ะบริบรยดยอนเลยเข้าทีไรยังอยู่บอกของสันนี้กิเลสเข้าบรถอยออกเข้ายัางเพื่อนในวัจาสงสารอยู่ไปแท้ไดนกิเลแจะก่อนเงินก่อนค่ำรถเขาก็ามาหายสิบขัน้นเศร้า 100, ขั้นลอยขั้น บเิบอ่อยะแต่กีเ่เด็ดทางบ้านรดบ้านถอยอยังบัานอิดหนาละอาใจในวตาสงสารมิจะติดกับติดมิจะเพิ่นกับเพิ่นมิจะมิจะสันกระโดดใจนี่เท่าสิไดยย้งหนึ่งได้แค่เพียดเานันแหละตายเลยเป็นเพีดที่นมุนีแหละมงสันเอาหลดว่าวมันสันหลดมันสันกระโดดใจปากดักมือ่าบ้นของเท่าสิได้ ย, ยัง นี่พูวมานับถือหรือหาน่ยมือนึเงมือนึ่งที่หัวมาเขาเกาหัวมาห่มมัชชนินธ์แฟฟ้าเนี่ยของเงินของข้ามเต็มอยู่จต่ข่วมโมเห็นไทยในวัฏจักรสงสารห่ามีมีจะเพิ่นใครอยู่ห้องที่อดยังเช่นก็ได้ต่ ก, กิเลสทั้งเลี้ยวนี่แตกิเลสกับกิเลสบวกกันเพตตับเพศบวกกันนิชาเพศบวกนิส า, พพสาทองทเที่ยวในวัฏจักงสารมันก็ผูก มันกระ บ, บวกเขาอีกวกอกสั่นอรรถว่าข้ารดีอยู่แล่ว่าปัจจัยที่เน่ะสาหรับประพืชท่วมาจังทั่วพทุกคือได้เรียนย่างท่ประพืทั่วมาจังอีกอกโขยม่มนปัจจัยที่บริบูรณ์เนี่ยก็ได้เมื่อมันสิพ่นจากกิเลสรดได้เดีย น, ยยนปัจจัยที่บริบูรณ์เนี่มันสิพ่นจากกิเลสดอกเมนเนี่ กีวนกับบริบูรณ์กับบริบูรณ์แล้วทพนาสนะกับบริบูรณ์แล้วทั่วัชกับบริบูรณ์แล้วบินทบาตกับบริบูรณ์แล้วทังสี่ก็บพวมนสิเกียจจากี่เรียญโดยแกกันท้าวโมพาวนาท้าวเห็นโเห็นไฟในวาระสงสารบนมันสิเนี่ยมันแลวออสันเศษชี้เข้าเป็นพระราหันเหมืนเนี่ยตองแหงหลาเฮานี่ ฮักเวลา่เาเจ๊ได้เวล่าให้ถือว่าพญนาเพชรแกฆ่าไงพญนามาจุลาไงนุ่มสรงแดงเสือแดง่งดาบเลียมผ่าภาพซํานี่เด็ะนี่เลียมนึงอยู่นี่นี่หม้อนึงเรีมนึงแน่อยู่นี่ยัดที่จดมือไหนเฮ้วันขอเนี่ยให้ถือทังสั่นเอาอ สั่นที่ย้ําาวความตายกับเด้กกาําลั ง, ล ง, ลงรูหาว่ า, ใใวรราเทนเอื่นเนาอคตายของเขาลมหาแก่เขาออกของเขาเก่าหวานยางก็ดีของกัาปวดตาบก็ดีกเด็กกําลังกําลังคิดกําลังใจหว่าทําให้นอนใจในวัดตาสงสารอเห็นทุกตายทุกลมหายใจเขาออกเลยเหตไหดมันถี่นอนใจในวัดตาสงสารมนุษย์นี่ มันมาดอนเนี่ยมันมาเห็นนั่นที่หรอก็มันสีนอนเนี่ยก็มันสีรื้มตัวรื้มตนรืมใจรื้มทําเนี่ยก็มันสีให้คิดให้ใจเป็นมันนี่มันก็เห็นนั่นที่แต่มันเห็นนี่งมมีการเล่นกันขึ้นน่ะมันสีนอนใจไรบ่ทําได้แล้วก็คือกัน สั้งกองทุกก็ขึ้กันสั้งกองอันนี้จังก็ขกันสั้งกอง้วยกองเน่าก็ขึ้นกันมันเห้นเตนเนายังมมี่ก็เวนเงนขึ้นนี่สมกาีไหวใจยังในว่าตาทองสานันเมื่อกาติดจีบยังเกว่าจะแกบ่ออกบอันสั่งตเมื่เห็นว่าในโลกนี่เต็มไปด้วยห้างกระดูกไปแทก็เหยียบเจ้ห้างกระดูก่าสั่นทั้งเก่าทั้งใหม่คำม่เห็นยังโมมี่กเว้นเงินขึ้นี่ส มันเห็นจิตหูจิจตตามันจิตใจมันจิตสัญญามันอยู่อสาสวะสัญญานกิเลสมันกับจิตร่วมพุทมาได้ใส่อีกอแล้วก็เรียกแท้กับบุพมาแล้วเห็นว่าพุทนพระพุทภพระธมพระสงฆ์สรางสอน โมหม่าท้องเที <cog> ああ่ยวในบรรดาสงสารมันเป็นทุกข์มันเห็นเดียวโมมีกัเวนันขึ้นนี่สมันกับจิตติสิยังจิสิแก่บ่ออกมันกัมีน่ำล่างออกได้อยู่หันละมันจิตติสจแก่บ่ออกได้มันสิสอนจนบ่มันสิสอนบ่ออกด้ไงของตะปูมีแวอยู่มันทอนสนิมหัวยังดีอยู่มันก็บอนได้อยู่ นกมุ่งนี่ยยี่มืนปีกระทำจะตายกันซ่านแล้วเพื่ออะยิดใจใบย่อตายนี้จากสิ้นจากถ้ำาบย่อตายออกจากนะคนนี่พนนังสมเขาเชี่ยวพูน คิ้ว อ, อยู่ในหลวงในสงสารนนเาาางงนีมน่มันเขาว่าพแห้งแ่ะเขาย่ไหมมันกับว่ามีบนปรวางเลยแต่มัเขาคิ้วบนผลทุกแม่วาจาสงสารดยดวยดวนพุ่นแม่ปัจจุบนาาันสะอาดพุ่นห น, นาคตการนั่นเธอหนอาคตการนั่นเธอเลกว่าสิงที่ต้องทดสอบคือกัน แล้วว่าอนาคตการันเทอร์นาราบเถิดว่าบาลมีของห้านี่ยอ้วนรายอยู่ยังเลวลายยังใส่บ่ได้การห้อยยังไ่เหลื่อมใสในท่าผดผูกในวาระสงสารในปัจจุบันในศาสเชเล่ยเพื่อนทราบเถิดว่านั่นยังลายอยู่ยังหยาบอยู่ยัดจุดปอยให้มันหยาบเลยให้เล่นเข่าแล้วว่าการทดสอบบาลมีอยู่คือการอะไรพระเฮติยังเคมีการทดสอบบด แล้วเขาเหเฮ็ดแกงเขาก็ยังเสี่บเบิ่งจังนื่เข้มก็ะไดอันนี้ครับก็ะเสียเบิ้งแหละบอกมือนอย่างว่าเป็นเพราะข้าห้างกระดูกอีกมืออย่างว่าเป็นเพราะข้าทุกอีกเมืออย่างว่าเป็นเพราะข้าหนังอีกเออหนังผมอยู่โดยรอบเลยมืออย่ากว่าล้มหนังอีก เ่อยางมาลงหางกระดูอีกเมื่อยากมาลงตับไตใส่พู่มอยากมาลงกิ่นเมื่อยางมาลงขี่บ่อย่างมาลงเกิดเมื่อยางมาลงแก่เ่อยางมาลงเก็บบ่อย่างมาลงตายอีกถือแผลหลงมาหลายศาหลายภพเลยศรีสูรก็พ่วงหลงด้วดพระมหาสติกับพระมหาปัญญาในขอวัดปฏิบัติ โมยอมหมออยู่นาเดียวโมย่อมหลงอยู่นาเดียวโมย่อมนอนใจอยู่นาเดียวพอใดเห็นแล้วเห็นกองทุกขในวัดตาสงสารเต็มตาแล้วไหวพริ้วตัวได้ไหนบอกช่สั้นเอาโลด ไม่อยักย่อบอยย่อสมัคสู่สงสงข้ามหลงสงข้ามโลกสงข้ามโกรธสงข้ามหลงเมธไรสิสูอยู่ในเมืองคิดเมืองใจนี่เมาะไรอะเดี๋ยวทหารสติทหารปัญญา ทหารศีลทหารสมาธิทหารปัญญาเขาบุกลบกันในนีแหลสะสนาศาสน ะ, ะ, ะกันได้นีแหละแพร่เขาแพร่กันนีได้นีแหละในเมืองไกลนี่แหละเรื่องทองท่างซองนี่ในเมืองไกลนี่แลหและท่ามันกูแข่งขันกัแข่งขันกันก็ยุ่งกับเมืองไกลนี่แหละ เมื่อลงเมื่อโกดเมืองลงเ ม, มาตั้งเนี่ยนี่เมื่อชินเมืองสมาธิเมืองปัญญาอภิตั้งเนี่ยนี่คือกันอหลวงสันเอารลดมันจองแล้วก็ที่จองคือกันจองเป็นตะมั่นบอกสมอละพุม่มคือคิดใจนี่แหละสมอละพุม่มไพยเอากเหมืนเส น, น, นาสณะวัดปลา เงียบส ง, งัดจจตามสติกำลังสงนองละพุ่มพ่ายแน่คือคิดใจนี่แล้วต่อสู้กันนี่แหละสนามลบปะลบกันอยู่นีแลกะกะควบหลงทะเลหลงก็อยู่นีและคามก็คามนีและ เธอเลลบเธอเล่ยโกรธเเลลุง oh กับโยนีแหละคามกับคามนีแหละเมื่อกะอายุกับนีแหละแค่กเอายุกับนีแหละยาโอสซตกเอายุกับนีแหละฝ่ยไหมเมือไงฝ่ยโลกไฟยโกรธฝ่ยลุงใหม่เมื่อไงเราสิเอาน้ามือเมื่อไงเนี่ยมัหมดดี๋วนี้มันไปมอดมนอื่นในวัเดียนี่ียวบอกของเอาโร เจ้าเสว่างไหนไปใสอีกแล้วม ah, ah, ันก็ไม่เอบ้านเสว่าเอกแล้วเออเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นแล้วมนมีแต่ดินอยู่นี่ธาตุดินเจ้าแผ่นน้ำก็มีแต่น้าเลือดน้ำน้องยนี่เจ้าแผ่นไฟก็มีแต่ธาตุไฟอยู่นี่เจ้าแผ่นล่มก็มีแต่ลมอยู่นี่เป็นเมือนร่ะเมื่อยาน้ได้เป็นลื่นเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นฝ้าเจ้าแผ่นล่มก็ได้ หายใจเขาออกกับมเจ้าเพชรร่มะต๊ดออกดาบเงื่นกเาเ่มเือกันตัวเจ้าเพฝาเห็นเปล่าฝ่าอยู่เสมอเนี่เจ้าเพชนดินก็เยียบดินอยู่เสมอเนี่ยดินผ้ายนอกฝ่าผ้ายนดินผ้าในมันมีเท่าไะนี่า้าดินนักไฟร่มมาชุ่มกันเป็นกายเรียกว่าลูกนี่อลูกคันเนี่ยคั้นกับหาแกหาแกผ้าตายอยู่ว่ามีก็เวขึ้นไปคันมาคันเป็นยามตัว อันนี้บม่มีอาจเลยเนี่ยขันระหาแกขันระหาเก็บขันระหาตายเลยเรมีอำนายุดย่ำยอนย่นำพรย่ำพันเลยเนีไว้หน้าที่ใดถ้ามันยุติยุดบ่แก่ยุดบ่เก็บยุดบิบ่ใกล้เขาคว่ตายไว้หน้าที่ใดถ้ามันยุดนี่ถ้ามันยับเขายับเขาบัดเนี่ยหลวงพ่อท่าอนอรรด ไม่ง่ยคิดตลาดครับรถขั้นนีมากท่องเที่ยวในวัตาสงสารก็แห้งเลยสีเศ้าี่สิเก็ย ส, สีลาบปอนี่เมื่อยากมาเที่ยวสงสารในแต่ป่าปฐมเ่าเมื่ออยากมาขับรถขั้นนีอีกขับรถทางกระดูกขับรถขี่ เกียนเกียขีย่ต้องคอยแต่ฟังซี่เพราะว่าแต่มันพ่ า, ายพานคิดตลาดนี่ครับนี่แล้วเกียนเกียขีย่ตองคอยแต่ฟังซี่รับไปครับม้างร่างกายแตกพยานคิดตลาดว่าเช็ดกับตางเอาไม้อีกแทนตัวหันันเบื่อทนาย มาขับรถขางขดูแข่งกันยุ่นี่ในวัตตาทุกสารเนี่ยขับรถขี่แก๊สรถแกขี่แข่งกันอยู่นี่เป็นบล็งขี่มันกับบล็องของอันเดียวกับแม่นวัดลงขี่กับแม่นโลกทั้งหลายนี่ คำ่ลงกินกับ่ลงขี่คือกันหะค่าล้มขี่กับ่ลงมกินคือกันหะคำว่าล้มเกิดกับคำ่ลงมตายคือกัน่ะคาว่าลงมตายกับคำว่ล้เกิดคือกันหะก้มเกาหะคาว่าล้มได้กับ่ล้มเสียคือกันหะคาว่าลงคุ่นกับว่าลงโทษคือกันะ เหตุน้ำพระพุธพระธรรมสงฆ์มันเป็นสุกเก่านาเนี่ยพระพุธพระธรรมพระสง์จัดเอาสันหนจัดเอาสันพระสดาวันซุกในพระโสดาวันซุกในสักขาข้ามีสุกในไอหน้าข้ามมีมันเป็นสุกเก่านาเนี่ยซุกสิขามทุกข์ท่องปวงดิซุกจำก็นันล่องม่านบอกก็ถือได้มาะพราอหลายบางที่เนีเป็นสุกวนซุกเวียนสุกวนเวียนน้ำขอบดง มเมื่อสุกเวียนน้ำขอดุงก็ทุกเวียนเวียนน้ขอดุงือกันล่ะสุกในของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอริยธรรมม่ชีโตนะโรแะพุทพุดออกผลพราสุนกลางนี่พุดออกผลมันสุกวนสุเวียนมันมันทุกวนทุกเวียนทุกกระทุกเพื่อที่ออกผลซุกกระุกเพื่อที่ออกผลมันมันสุกวนสุกเวียนมัมันทุกวนทุกเวียนทุกอันน การปฏิบัติแบบีทุกข์ยี่เด้อเพราหิวข่าแล้หายน้ำเดี๋ยววัชสาพยายามใส่ข้มเพี่ยนมันัทุกข์ออกเลยนะบอมันทุกข์วนทุกเวียนนี่ทุกข์ในวัฏจากรงสารตำมขนันลงมาเม่ยินดีเนภานผ้ามึงเรียกว่าทุกข์วนทุกเวียนเม่ยินดีเนี่ยออกจากองทุกข์ในวัฏรงสาเียวว่าทุกข์วนทุกเวียนเดียวว่าสุขวนทุกเวียนมันมัม่สุขเฉลยอะมาหั่บรรยัตเอาซื้อทุ่เป็นจริงมึงจะทุกข์มึนอะ ในโลกมันไม่สุกใส่พ่อเมรง่าฟ้าหินมันมุมีแหละฉันมันมันมีสุขท่อเมรุง่าขาหินนี่พระรยาเจ้าไปบ่ได้วินญาณปฏิสนธิกัไปจับอยกันคุนเห็นแล้มันเป็นทุกข์มืดคืมืนากองไส้วัดวินญาณปฏิสนธิเป็นจัง ม, มุมีวิญญาณนางวิญญาณนั่ปัจจะยาหน้ามารูปังหน้ามารูปปัจจยาคนจำ ม, มุปเป็นปัจใจ สรายัตนาสรายัตนาปัจจะยาพัฒษาของเพลินก็บ่เป็นปัจัยเพิ่นเห็นกองทุกข์ขาดแล้วเพิ่นรุดไปแล้วพระอาเดียเจ้าเพิ่นแข่งดีกับโลกเพิ่นแข่งดีเพื่อออกโลกเพรามันเพิ่นเพรมนเพิ่นแข่งดีเพื่อทายุในโลกเนี่ยเขาอยู่เนี่ยมองเขา เพนแข็งดีก็โลกเพิ่นแข็งดีกับควมหลงของเพิ่นก็ควบโลกควบโกดควบหลงของเพิ่นเดี๋ยวว่าแข็งดีกับโลกแข็ลลงออกหงนีลลลลงหงนหวนนน่สูว่าเลีนนำ้ำอาเสียนว่าหน้าจะผ้าไรนั่งบวกครบบวกครบขณะจิต ท, ที่มันเป็นผ่านมันเป็นผ่านมันเป็นหลง จิใจที่เหลื่อมใสในวัฏสงสารอยู่นั่นเรียกว่าจิตพลาดจิตหลงเมื่มันจิตของบันทิดจิตเห็นไายในวัฏสงสารยามันจิตของบันทิดปันธิตตานั่นจะ๋านขะัณฑบูชานะั่นขัณฑอนุโมทนาปูชาจะปู่ชนียานั่งเอตมั่งภลรมุตเมั่งยังเป็นมงคลอันอุดมดี เด็กวัดทายมุ่งแถ้หัวน่ะโกนผมเดอนอยู่กรมปอสั้นดนบาดปลอเั้นยืดไปทอยหลังกลุ่มกลุ่มพันธุ์ทีถือหุ้มไม่ต้องถอยหลังร้านถั่วอุ่ยยสดถอยหลังมาเสียนฟื้นว่าจะร้านถั่วอุ่ยว่ร้านถั่วอุ้ยว่ต้องถอยหลังมาเสีน ถอยกับปถอยหาตายอนุตตะลาสังข่าโมะคือสงข้ามแก่สงข้ามเก็บสองข้ามตายกันถอยล้างก็ถอยมาลัางมาหาแก่เก็บตายเือกันอนุตตะลาสังข่าโมะสงข้ามยิงสงข้ามลุกสงข้ามโกรธสงข้ามหลงกับแมนสงข้ามแก่สงข้ามเก็บสงข้ามตายกับแมนอสวนสะทุกแก่สวนสะดุกเก็บสวนสะทุกตายกับแมน สวนสัทุกโลกสวนสะทุกโวดสวนสะทุกหลงกะระแมนวัตตาสงสารแก่วัตตาสงสารเก็บวัตตาสงสารตายกะระแมนโรคโค้งมันเป็นพืชนั่นเป็นขปุสกที่ทําไร่ขปูกมันสิพ่ยินดีในโลกในวัตตาสงสารเรีรยกว่าทําไร่ขปูกเห็นไผยในโลกในวัตตาสงสารเรีรยกว่าทําไร่ขปูก สมันเพิ่มหน่อเดียวว่าเขาทำไรกระปุกเดี๋ยวว่าห่อไว้อยู่ห่อได้กระข้ามไว้กปุกอยู่บองพระอรว่าบอก็ะตัวเต็มสามส อ, อ, อกถามว่านี่กิดอะไรเดียวทุบเอาได้ลายกิ่เดได้หลายเปไงเห็ น, ไ ห, นไหมแล้วเอาไงเว้ถามมาทีม เม่อไหรที่เาว่ามันกิเลสเท้าพูเท้าฟ้านี่มบอว่าฉันบอกของฟ้าเขาไม่ไเอาแต่จมูจักออนแต่ว่าอย่าเนาะไปเศ้ากันหรอมื่อไหล่ะเออยาซุกันทุกนี่ร้กันเขเมื่อหรล่ะเกลี่ยขอวนพระเล่นหัวออกปันขุตอกมม่ลู้ขกวนลํามมดขึ้นกขาบไม่ก่อนเกาหน้าแม่เาเลยเขาว่านี่ยอันเดียวมันเหรอเด็ก็เกา มันประกังมาได้ทองโผน่ะมันชิโกมาได้ทองบังแมันประกังมาได้ทองโผล่นะมันชิโกมาได้ทองบังแล Never, ้วสิแล้วเมื่อคืนเขาบอกมีก่อนเก้าสิเพราะว่าทัพว่าถัดของเก้าหันนโมก็ยังของเก้าอันนี้หูกับหูอันเก้าอันตัวตากัตาอันเก้าอันด้ตาใส่มาใหม่ใจกัใจอันเก้าอันดใจใส่มาสิกลอนกับกลอนอันเก้านตัวนางหนุ่มได้กลอนไม่ใส่มาดินก็ดินอันเก้าอันตัวหันได้ของไม่ใส่มา พุ่มหลงตำาหนงของเก่าอันตัวพุ่มบหลงตำแหงของเก่าอันตัวตไม่ใช้มาวางของัตวเอาบ่านไปไปไ ป, ไปนี่นี่นยาปป่านปานีนี่อาซุกซุกปเนี่ยปนีนี่ปนปนไปเอาไปนี่นี่นี่น่นี่นี่นี่ <c oughs> อะไรนี่อย่ากบกับมันแกดแกอันนี้แกแกอันนี้พ <c oughs> ิตว่าฆ่าเด้เหร อ, อ ย, ยืนเดินนั่ง น, นอ น, นับตื่นกยาเสพติดมดแน่วะ่ะนึกคิดกับยาเสบติดได้โผล่ลงกับยาเสพติด โอ้ยไปสั่นของนั่ส่อบวกม่วงอยู่ขพ่อหน้าดีสั่นมิเตโกพวกม่วงไปสั่นตัอโอ้ยที่โอ้ยมันไกเต้านอ่นส่อหางกระดูกั้นเปลี่ยนมาโดนค้าตัวซาของม่วงมาแทงไก่ก็หางกระดูกของเจ้าะแ่ข้าตัวซาไอ้เนี่บว่าข้าเลยคุณพ่อแม่เนี่ยเดี๋ยวเกษตรกับมิเบโกม่วงเอกล่องของขอาม <c oughs> ันพ่อหน้า <c> ด <oughs> <c oughs> <this> ีไปสั่น าห้างกระดูกมันได้บอกบอกว่าเงื่อนฝาห้างกะดูกวัวมันเห้งใกล้กพ ร, ราะพวกม้วงตัวหลวงปู่มหามันเพน ม, มันเพ่น เ, เต็มดวงแล้วของเพนน่ะหลวงปู่แหวนก็คือกันพระจันเต็มดวงแหะเต็มทั้งอามุธเต็มทั้งธรรมะมันเต็มหมดเลยมนันเรี่ห้องพาห้องมัน ขึ้นบึงพระกวนทานยาอ่้นไปยุบป่าฝนผู้นี้ไม่มีลาบเลยนี่พระกวนท่า น, านี่ยหินย่อมผามันพระกนทันยาได้ผ้า ย, ย่อมหินแดงย่อมผาหลวปู่มานณ์เคยเอามาเทศบ่อยๆอยู่พระกนทันยาน่ยผนะ้า ย, ย่อมย่อมเทรกกระบอกหินเข า, ากับในย่อมเข้าอยู่าะเด็นฝนแทรกกระบอกหิ น, หนย่อมแล้วย่อมผา ถ้าเก่าบอกหินสักทำพะเาือนตะกีมมันมันมันง่ายง่ายเลยตะกีมมีเสือมีสามมีสารพัดเลยมันคือผ้าสัมพอเดียสมืเอนี่ดรอกสมืเอรนี่พ่อวัดบ้านเขาไปยู่พวพ่อเราเสบเห็นต้นแดงพ็โเด็งไปเถอะเราเข้ามาไยู่ไปยู่ไปไปกินข้าวเพริไินข้าแลมไปกินข้าวเพร เว้ยปวดหน้าเขาแก่เขาหรอเบื่อที่ไหนจิตใจว่าอยากพ้นทุกข์ในวตาสงสารคันคิตใจต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาอย่าง ม, มันมาหลายดอกเค้ยมันแก่เพิ่มล ะ, ะ, ะ, ะมันแก่เองมันคันจิตใจว่าอยากแช่งดีอยู่ในโลกเลยโอ้ยปัญหาอะาย มันคิดใ จ, ใจว่าคนทุกข์ได้ว่าตาท่งสารปัญหาไลายหรอกอันอื่นมากก็เป็นของเรื่องเบาปัดพอาหอขวมมันไปหมดแล้วเือ้นสิแดงเงินมากเต็มเพดีนเพนดินมันก็เป็นเรื่องเบาแม้นสีอึดเจนบุม้มีผู้ใช้บาทให้ก็เป็นเรื่องเบาลงสันเอาลดพอนี่สำคัญที่สุดมันคิดใจว่าคนทุกขได้ว่าตาทงศารปัญหาไม่ลายหอก อันอื่นมากก็เป็นของเรื่องเบาวัดพราอบคัว ม, มันไปหมดแล้วเร่แม้นสีแดงเงินว่าเต็มเนพนท่าเพนดินมัน ก, ก็เป็นเรื่องเบาแมนสีอึดเจ็นบุม้มีผูุ้ชไซบาตให้ก็เป็นเรื่องเบางบองสั่เอาลดพอนี่สัมพันธ์ที่สุดคือเห็นผ้าในวัดจาสงสารอย่างเต็มที ก็คือผู้ดับเพิ่มในวัาสงสารยังเต็มที่ น, นั่นแล้วความยินดีในท้ำชนะความยินดีทั้งปวงถ้าพี่แกหน้าทุกข์เป็นอารมณ์อยู่สมุทัยมันละไปเองมันมรรคมันก็นจะเริศไปเองในตัวนิโรธกระทั่งให้แก่ไปเองในตัวว่ามันที่จะเิญทุกข์แหละจังที่มจะเริศสมุทัย จังวันสิไม่เจริญมากจังสิไม่เจริญนี่รอดมันบาเหมืนเห็ุขังฉันที่จะน่าทุกข์อันเดียวสมมุติไทยมันกับคนที่อี่ยานในวัจจทรงศารมันก็โยกตัวลงมันก็เป็นมรรคไปว่าขอปฏิบัติไปในตัวมันก็ทําให้แก้งในขันทาทันานไปในตัวสิว่าอยงไรฉันมันบ่แกลในขั้นท้าทันดานก็เพราะมันเพิ่นในโลกสิว่าอยงไรฉันอืม ถ้ามันเห็นภายในวัดจ้าทรงสารเหมือนอุมทานเพิ่ง ม, มัาทั้งอดีตทั้งอ น, นาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยไพ่ชิมัตัวมันได้ในโลกอันนี้หน่อแก้มันจี่ตัวมันท่อนล่ะถามผู้เรียนหลวงผู้มันใน้ข้าวผูกลูกนิมิตไปสั่ง ลูกนี่มีชุ่มกอนน่ะวัดโที่สมพรห้องเดืเดเดืออยู่เด้่หม่ซึ่งมันเ้อเป็นเน้นมหานิกายอยู่พ้องอายุสิบปดปีห้าได้เือยอยู่เ้าดืเือคือมันเพิ่นต๊มาไห่เพิ่นต๊มาไห่วัดละสี่สิบทอนใหม่หกเมตรอุปทชาผ้าใบเรือห้าเดอายุสิบแปดปีห้องเป็นเน้นเดืดือยอยู่หุงปู่มัน บัดขอดนิมิตหนึ่งยุคปุ๋มันพู้นึงมาหาเพรื่นดักออกให้ฟังเท้ากร่บุกจักขี่ตน้งรีดังดอกท่านมันนะท่านท่านยุ่ผู้เดียวน่นะแต่คุณปัญญาสารเทนมุนน่ะล่ะคุณมหาวิโรจงมุนล่ะสมเด็จ ม, มหาวิโรจนมุนล่ะท่านยุคผู้เดียวเน่ยท่านไปฟังเทศน์น้ำไผ่ไผ่เทศน์ให้ทานฟัง โอกาสเด็จพระคุณนะครับเขาหน่อยวัชนาทสิฟัองในเตนี้นะครับสิฟั่งกันลมหายใจเขา อ, ออกกะเบ้อดสิฟังกันหางกระดูกกะบ้ออืดในเหตนี้หมคสิฟั่งกันหนังหุ่มยืย่โดยรอบนี่ก็กะเบ้อบนสิฟั่งไหมคร มันจะโเมีมันขาดทุนในมือห้องวัดเลยวที่ไปซอเธอแลวเมีย่าจตมันขาดทุนในมห้องเลยอันนี้ถามต่อไปอีกโอ้เพิ่นฟังเป็นนั่งฟังเมื่อขึ้นกระได้ขาน่อยเดินฟังกระไดเลยยางฟังกะไดเลยสนั่งฟังกระไดเลยสยืนฟังกระได้ขน่อยไว้ฟังเทศนีไว้ อะ น, นี้เพื่อนว่ากระสินนอกกระสินในยยนี่มันเป็นยังไงกาะสินเพื่อนลองฟังบ้างน้องเพืออันนี้หลวงปู่มหาบ่ไดเอาลงในคิวประวัติดอกเาไปอ่านมงแหลบเห็นกระสินนอกกสินในนี่ยพเะยศท่ากระสินมังยกไว้นอกขาน่อยกระส่ขนขาหน่อยที่รอจามพวงขาหน่ อ, นนอยสิปฏิวัติมาจากักที่ถกอสิพิษกระสิโอ้ท่ากักกสินขาหน่นอยเขเพ่งนะ ก็ดูเป็นสี ข, า, ขาวๆไว้ะะสั่ลหิตลักสินขอน้อยก็เพ่งเลือดไว้สั่นี่แล้วกระสินสีเขียวนขน้อยก็เพ่งน้าดีไว้สั่งเป็นฟักอยู่ใต้ตับนี่ไวาสั่ที่บที่บ เ, เป็นฟักก็ซึมซับอยู่ในทั่วสกปนหน้าร่างกายไวั่งเป็นไะไแต่พมขนในฝันอนันเป็นของแมเสียววั่ง เขาตนเพ่งกับชิ้นนี่ไงนี่ไม่ใช่เขาต้อเพ่งออกนอกวะสั่นมือห่อเนี่ยมีจะขาดทุ่นเล่ไปเร่ยวั่นไม่ได้เร่อยวั่นซจะไปซอเธอเรว่ายั่นมูห่อเลยเอาเจาหนังสือมาอ่านกันอยู่วาสั่นหนังสือนอกผนวะสั่นเธอเราบอกหนังสือหน่อยผลวะสั่นไม่ได้หรอกวะสั่นยูจะไปสอเธอร้ายวะสั่น กะดีอยู่เละตา่างในห้องหมู่มู่ห้องมู่ จ, จับกระสับคนหน่อยฟังสนุกฟังเทศกรสับทานมาจับกอยู่นี้มหาสมัยสูตรกอยู้นี้กระสับอธิตฐาปะเรียสูตรกะยู่นี้กระสับอนนตะละคณาสูตรกอยู่นี้สูตรกายสูตรไหวาจาสูตรใจนี้ะั ยุคคบที่มดเขน่อยสัคขาน่อยเพรดียสงสัย่มมีอาจารย์ใด้เดี๋ยวนี้พังค์แกโค้งเก็บโว้งตายเเป็นอาจารย์จะะรยางยางทั้งนั้นพระสัคสอนให้เห็นอยู่ว่าสังปวดอุจจาระปัสสาวะมั่นน่ันีจะอาจารย์สอนให้แให้หลาไม่ว่าจาสงสารทั้งนั้นขน่อยะั์นั่งย่ปวดเก่าว่าหัวมุ่นเพิกล้าเพลิกลงมเหมือนหายใจออกใจเขามุ่นเลยระสังค์เขาหน่ย เขคืดไว้ยู่ห้างอาจารย์ไม่ใช่ขออนุอาคืดไว้จริง ส, สงิผู้เขาลักสินหารักษาสินหาอยู่ขอบฟ้าผลจะเพราะเห็นหนาเขาจะเทอะทันแต่ผู้นึงก็ลักสินหารักษาสินหาอยู่ในประเทศไทย ผนเขารักษาชินหาอยู่ในพุทมมโลกกมีในเทวโลกกมีวะสัมอยู่ขอบฝาแดนดินใสก็มีวะสัมสมุดขน่อยวะสัมขนอยก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ไวาสันเพหาว่าแต่ที่มาเห็นหนาเห็นตากันได้วะสัมเอาสะดเสดได้วะสัมเหลวาย่างมิดหยาดถ้ำกันได้วะสัมพวกโจรพวกผู้ล่วสัเขาลักอยู่ฝากฝาแดนดินพุ่น กับ่เห็นหนากันเน่ยเทือหันเขากรอยุ่ใกล้กันโดยโดยกุศลอาุศนธรรมก็บเป็นมู่เป็นเพื่อนเขาอยู่บริวารไปขึ้นไปชั่งสั้นามามู่เพื่อนเนี่ยคนหอยบรได้หาวานเด็กจะมาวสออมซ้อมเรียกแข่งเรียกขากันยู่เรื่อยไปสั่นผู้ได้ประพฤติดีอยู่บ้านไดก็เรียกเขาเป็นมู่เป็นเพื่อนทั้งนั้นเนี่ยคนหน่อยคนขน่อยถึงตัวชั่งสั่นโอ้ยบอกอะไรเป็นแหงขาทุนไล่ อะไรแ n บ น, น, น, น, นี้ขารทุ่นลายมายมูห้องเพื่อกันหละผู้พ้นปฏิบัติพ้นทุกรวัาสงครานนี่ อ, อบประเทศอเมริกาเปนก็ตางห้าโมเนาคนจุเทียรกระซังก็ว่ามูเดียวกชื่อกัเชี่ว่ายังไงสั่งว่ายางไมียากท่ามันเชื่อกันเช่ ว, ว่ายังไงสั่สงผู้ดได้มาล่างทนให้กัจึงเสีว่ามูเดียวกันฉันบอก ห้องหรออกไปัฉันในห้าง้ามาซ้ายนั่งซ้ายนี่ก็ดนีนพระกรรมาเนี่ยห้องมก็ได้ยินบาง น, นึงนี่แะสมัยหลวงปู่มันบ่ได้ว่า้ายนั่นซ้ายนี่หรอกสายอาจาร์นั่สายอาจาร์ น, น, าารนี่บอกว่าันี่สิได้เกิดได้ยินแต่ว่าสายมหานนกาก็รมสายอาจาร์ทองรัดครับหลวงปู่มันเท่านั้นตะกีุบสูงนี่พันอาจาร์กับสัพพันสายได้เยอะนี่ ห้อหลูไปเตาอุกบ like, ีีสายได้ตามสายได้กระร้างพอ้างหลไ่อยากเอื่อนมาสายผู้น่ก็ลุกชิดข้าพูน่ก็ลุกชิดข้าผู้น่ก็ลุกชิดข้าผู้น่ก็ลูกชิดข้าผู้นึ่ก็โยงข้าพูนี่ก็โยงข้าพวกขาข่าววาบอะไรให้เขาเหมือนเป็นพัวจะเขาสิวายังไหนบ้างฮะนี่เขาไปอยู่น้ำโตมากขอที่สายโตโยงสี่ตะซมือนี่เขา ว่าเขาเป็นลูกซีดโตบ่หรือเขาบ่กเป็นให้เป็นเรื่องของเขาผนว่าเขากล้าว่าบ่ได้เขาพูดอันก็โยงค่าพูดอันก็โยงข้าพูดอันก็ลูกซีดค่าพูดอันก็ลูกซีดค่าเขาว่าบ่ได้สําหรับเขาเขาผนเป็นผู้เียว่าให้เจ้าตัวเข้าผลเข้าบ่าไดา ก็ปี ก, กันนึ่งพระจ้าซียิ้วว่ามีนทมาเสนาสนาะในเพศสัตนั่นนี่ว่าเ ล, ลิกลงไปอี ก, ก น, นั่นนี่ได้หน่อยก็เป็นของพระเจ้าได้หลายก็เปนของพระเจ้าเขาเอามาให้หลายก็เม็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเอามาให้นอยก็เนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราบ่ามีนี่สัเกี่ยนึงมืนี้พูดได้เบาห่อยเขาเบาออกจากเข้านี่อันนี้แล้วทีพิที่ถือนี่เขามือซัก ขเข็นแกนอา่าซื้อพระพุทพระธรรมพระสงค์ผุนเขเอามาให้ได้ น, อ น, อนด้อยก็แม่นท้องเพิินได้หลายก็แม่นท้องเพลินถึงแม้ว่มามันแงมมันหลงนะฉันเมื่อก็ต้องพลิกมะฮานี่แตะแก่งช่งฟางโล่แงม้มันบวมีสตีน่ะพลิกมาฮนีแก่งช่างฟางเอาโล่ฉันถือว่าลาบกูของกูสัง่งเมื่อมันใหญ่ได้ห้ากปสิทิศอยู่ คำวินาทีไม่บ่ได้เขาปฏิเสยใจข้าเนี่ยหมอของสันว่าคว่ามันของโตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับในไตโลกธาตุนี่ยทรัพย์สินในไตโรคธาตุมันของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มัดเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มัดพอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงในที่นี่ไหมอรหัตจะสงทาในที่นี่ก็บไม้อรหัตจะทำพุทธในที่นี่กับไม้อรหัตจะพุทธ พนทีมเหมือนอะไได้นิไม่เม่นของพนเหมือนี่ิขึ้นน้ำลายเฮาหน่ะพนทีมแล้วเฮากับประเทศอาจะเอามากินรอกทางไม่น้ำลายเฮาน้ำลายผู้นั่นน้ำลายผู้นี่กิยังไงฉันในคือกันแน่ใรกาตสมบัติของฟาริยเจา้าเบสนว่างเลยพนปลอยเลยพนเห็นวมันบมเหมันบเทียงมือเฮาอุปมาขึ้นนอนฉันไม่อยากฉันกินอยู่วาฉันอยากกิกินน้ำลายข้ขีข้หมูพวกองค์เจา้า แล้วพระถพระอริยสงฆ์ท่านำอนุทพนพระอริยสงฆ์อนุรุพนไปเมื่อแล้วถ้ากับถ้ำอนุทพนแล้วทีมุดที่ถ้ำนั่นนะั้นเมื่อไปนั้นเมื่อเวลา น, น้อยเข้ากับปฏิทินอยู่เข้ากับบเสียใจหลายมีปัแก่ อ, อยู่เข้าเมื่อเวลามันมีหลายตามสิติกำลังหลายของตัวไม่เป็นหน่อยเพล่น นายเขาตัวนไปหน่อยเพลินเงื่อนเงือ น, นตัวมันเป็นเงิ่นสามสีต่างของหลวงปู่มหาเดียกวก็หลายตัวอันเงื่อนเื่อนหนึ่งมันเป็นสา ม, ม, ม, มสีตานของหลวงปู่มหาอันว่าตามสมุดเมื่อพี่จะหน้าหลวงสันนีย่ยมันได้หน่อยก็บพราห่ อ, หอนห่อนก็มีคนแก่พราะเคยเดี๋ยพี่จะหน้าไว้แล้วเวลาอมาเนี่ยหลายกับปติต พอมันมีบรรแก่นี่มันถิมอยู่มีคนหมอกผัยพนอยู่หรางปูมันคยว่าเรื่อยอยู่อยู่กุฏิวิหารของพรพทพระธรรพระสงมดปวกวดผึ่นกรไลเด้ดตีเพินว่าว่ามันใช่เป็นของเฮาองเฮามิตรกิเลสตัวของมูเฮาคนค่อยเถิดอยู่เถิดผะไลได้ตีพสันอยู่ของพนเห่อกินของพนเหรอ่ระสันใจ่ของพนเหรอพระสน ไม่ขิดไฟลูกนึ่งก็เป็นของเพื่อนเขาเห็นแก่าคาซื้อของเพื่อนนันรับาจะเอามาหาย้ยกระสันสัินท่านแล้วแตท่านไว้เขาจะไหนเอามาหา้จิงยู่อันนั้นคดีเ้สุดเพียงนั้นาากิเลสมากขึ้นกันเปนอกของเสียหลวงปู่มันคือพระัจจยนะอันนี้อยุขุอุเชนี่เขามาถึงเพนข้าพเจ้าขอถึงพระคัจจายนะเป็นใจเป็นเสนาคมอันประเสริฐ เออย่งมาถึงเข่ายังมาถึงป่ขาแม้ถึงพราะคุณพระธรรมประสงค์ผลมันจังได้บุญร้ายไปทั้งเพื่อนเป็นพ่อหนอนอะไได้เนี said, Normally, my language. My language ่เพิ่นยังาอกองสั่งวะถ้ามันเท่าเขาถึงตัวเป็นไตชนะพ่อเมือสิเพิ่นสิว่าแม่งกูว่าเสูบคนมุทอว่าวะตัวเงียบตัวเงียบผู้ด่างวะมูอเข่าสู้มีกิเลสยุ่งละโอกูทีเก่งปฏิโตมีพูดมาเถิงกูเป็นไตชนาดูมุทีว่าแม่นกูว่าเขาสูบนะโคตรมากูดลกสูบกูแค่หน่งชื่อ วัซุดทุกโทคิคนแล้วตัวนี้หล่นแลว่าไม่ฟันติปอมตะมาดนขนเสเหมนั่าประกจายนะพ่กของพระละหันเกณบกเพราะยังเหมาะใ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่คือสู้พงล่ะนวัดที่มาถามออามาค้มผิดเท่าที่เขาทำให้ดีอย่างนี้เป็นบุญวาสนาของใครแลรร้วก็เลยตอบเลยเป็นบุญวาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มัธยฐานของญาติของโยมและครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนและญาติโยมสำหรับตัวของอตมาไม่มีอะไรหลอกมีแต่กิเลส mm hmm. ง่ายมาไปในห้องหมออะไรไม่ถามมัผิดเด้หองของพอพาจากหลุ่เนี่ยมาปั ก, ปกเปล่อาองของจักหลุ่ดูมัธยฐานของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนและญาติโยมสาหรับตัวของอตมาไม่มีอะไรหรอกมีแต่กิเลสเท่านั้น โอยยังไม่ยังเงี ย, ยงเงินเลยอ่ะแกเงินหมื่นเลยไม่ไห้ไม่ไหวแม่ต <laughs> ีดเรื่วงหรคือดวงพระอัจริย์ด้วยเป็นพระละหันเลยข้าพเจ้าเป็นคิดช่วยหม้ภาสามารถษยแสดงค้ำพิษตดานได้ก็จริงเป็นพระละหันเลว ภาษารียบุตรไปถามเนี่ยภาษาเรบุตรอยู่ปบวชนน้ำสุภะปริพาฒชกเด้สุนไช่เด้สวนไช่ปริพา์ชคเด้มีปริว่านหาลอยใสวนไช่ตัวอย่างพระอัตชิจัหงอจังสัตพระอัตชิเป็นมหาปัญญาเขาสาเรื อ, อยู่แล้ภาษาสรียบุตรอยู่ในสวนไชยปริพาฒน์ชคว่าเป็นคนมีปัญญาเห็นสัมพระอัตชิจังว่าความตน พจนูท่านพจนูท่านภาษาลิบุตรโอ้ยพระ้องเอาหญ้าดอกพรสั่งก็สั่เก่าดอกเขานอยนรับถ้ามันไั้เกิดแต่เหตุถ้ามันนัับแต่เหตุนะครัโอ้ยเอาลกเขาน่อยพราะอะาบา ท, ที่เกิดก็เพราะว่าสร้างบาปด้วเพราะว่าเหตุสร้างบาปด้วยี่ับบาปก็เพราะว่านับเหตุข้องบาปด้วยนองสันขหลว่า คพือ เ, เข้าใจนะฮะหมวกขาน้าแลวบานพอได้ชั้นหน้ากนาัาญญานได้ดิอเอสียวไว้สั่นตัวมาจะใช้มือนี่คือหน้าตาคือบานแค่ว่าสั่นแล็ได้ทํามะธรโมโมเองระบบโมจะ้องในหน้าสัน่นง้วยเข้ากไ็ได้แล้วสันส่นสาบุตเลยบอกให้พ่อหมกขาน้าฟังพ่อหมวกขนาน้าก็เลยําเ็จเป็นพระโสดาบันคือกั ถ้าไม่จากประวัตนาถูดมันยังก็แสดงอันนี้จังคขับเนี่ยแหละยังยินเจสิมุทยาธรรมังสะพันตังในโลสธรรมมันติน่ประวัติิเตจะปรวาตาธรรมจะเกปุลมาเทวาัมุตาวสุเมตัมวตาภาสิยังยิปัจเจเนวิสตาเยนุตรังธรรมจักรังประวัติทิตังปภิติวัติยังมานีนวะสมานีนวเดเวนวะมาเดนวรามุลาวาเกนกิวโรกัมิติ กับเพิ่นเทศท่ามิจากกะประวัตินาสูตรปฏิวัติเบื้องต้นมาชาติปีพิทุขาวเชล่าิทุขามาแล้วนั่งพิทุขังโสกไปเที่ยวทุกข์ทมนาสุปายาสาพิทุขาปี่เรโยโกรุตุโขปี่เย่ธรรมพโยโกรตโยมพิทังนราพทิตมทุขังทั้งคิดเตนะปัญจุปาธาัคนธาตุขาสุยะตีทั้งเนยินหัดภพมโลวะ ถ้าน่ยกิดมหาวิจีนะโะกไือยินมดนาตางทีิพย์ยุกกระเปิดข้นความกับเป็นหลังซือค้นจาบอดอาจแลเห็นค้นหูหนวกอาจได้ยินนั่นเป็นเกียบเป็บบุครลาธิฐานเข้ามาซาติี่ิตุขาเท่านั้นมะกินหอดถังปมมโลกพ่นมันถือแต่พวกนั้นจะฟัองบพาฟังกรตาม้วว่ามันถือบดล่ะ มัตายโรกธาตุคุณสาตุเกิด์นั่นเป็นทุกข์แก้เจ็บตายกต่อันเดียวกันพบศก้าโสกาแต่อันเดียวกันนั่นก็ถือว่ามัดหมดบหมดโรคพวกนั้นจะฟั่งบ่ฟั่งก็สร้างแบบนั้นถือมัดอย่งที่ว่าอย่างิยิ่งนาลูกเดียวเลยได้มัดใ้โลกธาตุโลดทั้งวันเถอถือมัดเอาโลดคนตาบอดอาจแก้เห็นได้สิค้นหูหนวกอาจได้ยินได้สิข้นตาบอดมันก็ไม่แก้เจ็บตายคือนกันอย่างไรส คนหุงดองงกมันก็ไม่แก้เก็บตา่ามันไปนยังตีบตถือกันคนหลังพอมมเนีเป็นคนหลังซือขื่น่ชอหลวงสันอาหอดว่าเรียว่านังสัต ด, ดั่งสุตตะวาเรียว่านั่งอันวเทวดาทั้งหลายสั ด, ดั่งอว่าเสียงสุตตวะกระตขื่นหอดพ่ัหมดเอาว้หาอตปาชุดละาชุเลียกนี้ทกาพุลเมอถ้ามจาจักประวัตกน่าสูตร สมัยโบล่าเนพะิสดานสมัยสมือนี่พื่มากายิกากระหอดหันหมายถึงพุ่ที่มีลูกแม้กระทืกโยคนพระเทศยนอกต่เกียร์ทัมาจักรก็ปลาตนาสูนรมันก่วงเสด็จแล้วการนตกาเดียว่าทั มณนุสสาสูงยังคอยเอตมากวาตาียังมีศีปัิเนี่ยมกรทยงนุตนั่งธรรมจกลั่ประวัติทตั้งปฏิเวิยังสมเนี่ว่าธมม่เนี่ว่าเทเรนะาอาวมี่นะว่าเพระมันวาเกย่อกวาโปมินติเียวจยิตะเตนะเขเรนะเตนะมุหุเตนะไป่ยพาะมัโรคาตว์าเชอยยัญจดรสหัสีสังัมปิสักัมปิสัเเวทีประมาจโราโอภาโตุระมุสตติกรรมมีวเดวานังเดวานุกาัง เพรารานนอุราเีสิอัญญาที่ว่ตโบคนดันยอัญญาที่ว่ตโบคนดันยติิติทั้งายตโตขันยะอัญญาคนดันยตะเวนามังตะเวตะเวตะเวตะเวะนามังหมดสิทิโผท่านอยากได้รู้เหรอเนาะท่านอยากได้รู้เหรอเนาะถ้ามจักก็ประวัตินาสูตรว่าเรื่อนลขันน้ำขัน ชาติพีกทุกขาชนะพีทุกขามาน้ำพีทุกขัาา้ขงแตมันลูกขันละ่โโะโชคก็ไปได้เทว่าโชกทนูป่ายาสาพีทุกข า, าพีเอสมรยุกุกโนอันว่ากิเลสอันนี้กิเลสมันไปซ้ำประยุทธ์อันนี้อั น, นันตลขสูตรกวา่าคุณลูกขันน้ำขันขเขาก้าล่ะลูปังอนิจังเวทานานิจจาลู่กปังลูกเป็นลูกตามเดิมดินหนไาไฟร่มเขาจุ้มกันเรือกว่ารูปเหมืน กบพื่นรูปกับน้ำของเกาหันอธิตตาไปเรื่อยสศูนย์กบพื่นรูปกับน้ำของเกาหันกบ่เป็นยังพนนายรูปนายน้ำพ่นจากรูปจางน้ําไปแล้วมันก็เป็นพระหลังเท่านั้นชัดทั้งหลายมันก็เป็นกบว่านยังรูปน้ํา้ำนั่นเองพอลงรูปลงน้ําลงรูปลงน้ํากับลงดินน้ําไฟล่มก็มีข้อไมา้อันเดียวกัน หลงน้ามหลงเทตนาสัญญาสังขาเรเวียนญาไม่เข้าอันเดียวกันเห็นรัมีธาธเาเจ้าจึงบุติตยอยู่ในสุขจึงบุติตยอยู่ในทุกข์ขบติีอยู่ในอุเบกขาทุกมาุ ข, ขังว่านจำปีอาิตังเกณฑอาดิตังอาดิตั ง, ตงลา่าคขาขหน้าโทษกี้น า, โ, นาโมหะขี้นาขันตอนับในสุขที่ตาไปเห็นลูกมาลูกขอ ง, ง้า ม, มันมันมาเลยมาสุข ม, มันก็เป็นราขักขิหนา้าโทษขิ้หน้าโมหะขีหน้าขึ้น ไม่ห่อนได้ต้นหอดปลายพระสันหรือสันเขาอาริยาเจ้าก็าจำบติตอยู่ในสุปในทุกในอุเบกขาบติตอยู่ซุปกระรงขึ้นให้ซุปทุกกระรงขึ้นให้ทุกอุเบกขาก็ะรงขึ้นให้อุเบกขาพรอาริยาเจ้าบติตอยู่เมื่อบบติตอยู่ทั้งซุปทั้งทุกทั้งอุเบกขาแล้วก็เริเป็นช้าล่างอุเบกขาช้าแปลว่าหกเด้ตาหูจมูเรียนกายใจทั้งหลายเพื่นเล่ยว่างเฉยเพื่อนบ่อยจะถือพระอริยาเจ้าที่จะน่าใจตามเป็นจริงของใจ พี่จะหน้าพลูกตามเป็นจริงของพลูกพิจะหนาลูกตามเป็นจริงของลูกพีจะหนาน้ามตามเป็นจริงของน้ามเพิ่นปติยูเมื่อเพิ่นปติยูเพิ่นก็เรรุดพ้นวิญญาณปติสติเพิ่นกับบมีอดีตเพิ่นกับปติยูหน้าคตเพิ่นกับปติยูปัจจุบันเพิ่นกับปติยูปัจจุบันเพิ่นรงขึ้นแห่อดีตเพิ่นกับทรงขึ้นหอดีตอนาคตเพิ่นกับป็นงขึนแห่หน้าคตเพิ่นเื่อไปส่อแจ้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของเน่ศูลเพิ่ สมุพนกัสมุขขึ้นหาสมุดจ้วิมุตพ้นกับสมงขขึ้นห้วิมุตจ้าพ้นบอกขอไปสอดแทรกห้มีอุปทานกรรมุปทานที่ถูปทานที่ระพาถุปทานเมื่ออุปทานของพนบอมีนมี่อวิชชาตัญหาอุปทานกรรมมันวัตจักมันกระดับไปเองที่ว่าอย่างไรคะนี่วัตจักแต่ว่าอาวิชชาตัญหาอุปทานของเขาละทอล้องหัวหล่เนียเอาเสื้อต่อ เพ่นก็เลยบติดอยู่ในยืนในืนในนางใน น, นในรับเตืนตันตวที่สมมติเราพระพุทธเจ้าเสวยมุติสุขพระพุทธเจ้าเสวยมุติสุขย่า น, านั้นท่านี้ก็เข้ามาผูกบรรัตเอาเพื่อหาว่าเขาใจข้หมายขมีจริงพระพุทธเจ้าสาคัญเอาเพ่อนอยู่บนไหนบนเพ่นสำคัญาเพ่นอยู่ในวิมุติหรือเพ่นสาคัญอยู่เพ่นอยู่นอกวิมุติเข้ากับพงจักได้เกที่อาจารย์เขามาผูกว่าเสวยมุติสุขย่บัญหันวันนี้ ฉะนั้นมือเท่านี้มือก็เป็นจริงพระเสวยอันไหนบวชอะไรไปถึงพระเจ้าน้าเพื่อนนั่นเพื่อนว่ยืดมั่นถือมั่นอันไหอหลังสั่นกระสูนที่ว่าสั่นกรนเพื่อนกระสุนพลก็ะสุนไยึดถืออยู่เพื่อนกรได้ไปสอดแทกเขายึดถือใส่ฉบอลทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเหรือสั่นพระคุที่เจ้ายังยืนยันว่าผู้ได้รู้เบื้องบนคืออนาคตผู้ได้รู้เบื้องตั้มคืออดีต พือได้รู้กบืงการเือปัจจุบันผู้่ได้บติผู้รู้ในอดีตเู้่ได้บวติธู้รู้ในอานาคตเพื่ได้บวติธู้รู้ในปัจจุบันเพืนั้นดับรอบแล้วขามไปแล้วขามก้มหลงไปแล้วโง่เจ้าถึงยืนยันไหม อ, อันพวกพระวานาไปติดอยู่ในนิมิตอันนั้นอันนี้นโอ้ยเขาติดมาเพราะแห้งละอันนี้ติดนิมิตน่นะติดเพาแหงทางเที่ยหอเหินเดินอากาศทางเที่ยหอทะเลาะทะลุภูเขาหูน ทางเทียเดินอยู่ผมเนอากาศพ่นทางเทียนนอนเจดีสัดขึ้นไปทั้งอากาศคือบังไฟนี่นั่นก็ได้ซ่ํานั่นแหละมัดอันนี้สมก็มดกําลังก็ออกมาสมาธิแบบนึงเขาไปแล้วก็ได้ยินหูมิดอ่นอนซ้อนมัดกําลังก็ออกมาเื่ากันละ่ะสมาธิตรงนี้อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังทั้งนั้นอุ้ประจารและสมาธิก็อยู่ใต้อํานาจอันนี้จัง จาละแปลว่าไปน้ำนิมิตเกิดคือแ ป, ป, ปลปรแล้วแต่สลายมัดอับปัญญาสมารถที่ยู่แต่อำนาจอันนี้จังดพืกันนัดเฮลิสันเพิ่งยังว่สอนให้จิตสมารถทิ่วงปู่มันเพิ่งจงว่าสมารถที่นีพ่อปันไม่จิ้มแควอสังบมเป็นเพิ่ประมาทสมารถที่ด้ย ยีหาเอ่มประมาสมาธิป่ะมาณคุณผู้นิพพประมาณสมาธิแต่บ่เป็นทางให้เป็นเป็นแล้วทาบพระพุทธิตอยู่นิพพานนะเพิ่มกับพริตอยู่ตอนนี้เพิ่มกับพระพุทิตอยู่ที่ไดสอนพระทิติอยู่วันไหนคือันต่อไทยน่ะตัวเขียนซื้อประกาศเลื่อนลูกปูหมา กลายเป็นก้อนจะพ้นกับวัดทอมาาหรอเล่เห็นคนแดงมากไปขอขอไม้บาทนี่เงินพิมพ์มากนึ่งขอขอนึ่งขอสองขอ3ามาปเขาอ่างเอาเพินด้วยตากเท่าทุนถไว้เพราะแม่ผู้บ่าอาจารย์ที่เขาลูกสูงตลอดาสตร์หอก่าก็นาวิต๊อยู่ในเรื่องนึงใช่ เป็นเหลือหนังสือมุตโตไทยนะครับในเวลานั้นพระอาจารย์มหาบริษัทว่าปล่อยให้อาจารย์ทองคำกับมหาเจียงินผู้แดงเพราะหลวงปู่มหากำลังปฏิบัติศุกร์นในสมัยนั้นโมยากผู้ได้แต้งอาจารย์ทองคำแต้งจะว่าศูนย์โมเมคาก็ะบะได้เนื้อค่วมในมุตโตไทยนั้น มีมี่ธรรมะอันสูงอันเดียวยนี่ย่าเหรอฮะถ้าตวัดของพ่อแมูู่้่าอาจารย์เนี่ยธรรมะสันสูงเสียแล้วก็ได้รู้มีผลนี่ยังนังสือมาตัวไทยอ่ะถ้าไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์แต่ว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้จะบวกกับหนึ่งก็เป็นคิดไปบวกกับสองก็เป็นยีาา่สิบไปบวกกับสามก็เป็นสามสิบมือเสีหลามโกตื้อติ้วทะเลี่ยตี๋ตคนละ เพื่อเป็นจริงหลวงปู่มหาราชประเทนน็นั่งช่างมาสั่เข้าเขียนหนังสือปหารหลวงเขียนทรับหนังสือประหารหาลวงปู่มหาราะปีก่อนด้วยปีนหนึ่งห้องเขียนไปเพื่อนกระเบืตอบมาดอก แ, แต่หังเพื่อตอกเห็นเพนื่นแก่หนังสือมาพิมพ์สุ่นมึงมาบัว่าคือเกาสละ่ะนี่เป็นคอเป็นคอพุ่นเป็นคอเป็นคอนหลวงปู่มหารา่นี่แหนังสือพุทธไทยสุ่นนี่สุ่น ม, มาแงมารุ่นนี่วันนั้ น, น, น พ่ม่คุามหาก็นั่งอยู่ด้วยขอน้อยก็นั่งยิ้มรำหันกับอาจารย์วันท่นง่วงหนามาว่าท่านมหาเอ้ยว่าสันถ้าําคัญมาตนเสวยเป็นอันทิษทังนัว่าสันธรรมะสั้นสูงเยขน้อยก็นั่งฟังรหันว่าสันพอมาคาจรมหาก็นั่งฟังรหันว่าันธรรมะสั้นสูงของลกปูมันว่ได้ว่าหาไปอยู่สนวนสูงเนี่ยขน้อยว่าชันเพนันึ้พอล้ว่าสันเพิ่กิดแล้วึ้พอคือท่านได้แตงมาไม่านนี่ท่นได้ล่างมาไม่หวาน ถ้ม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอยู่ที่ศูนย์ๆนะสแต่ว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้นะสิเป็นบวกก็หนึก็ต้องเป็นสิบเวกก็สองเป็นยี่สิบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดห้อมีมันแฝงที่หะเนนี่ยศูนยมันก็มันถิมีคา่ากระทบมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของเขามีมันแฝงเพอาลุงผู้หมายม่ได้เห็นง่ายสั้นมันสาคัญว่าตนสวยต้องเป็นอันพิษทางหน้าลุงผู้หมายไู่ได้เห็นง่ายั้น พอประเทศกับหลวู่มหาเนี่ห้าก็ฟัง่งอูมือนั้นห้าก็อ้างในที่หาว่าเพื่อนนั้นึงฟั่งมือหันเพ่นก็โจรใจแหคือเมื่อนั้นเพื่พนอาจารย์วันยุหันห้าก็ยหันนหันอิ่มแล้วโดนเติบมูอเพ่นไปกุดเบดเลยหล่าก็นั่งฟัง่งอหันเพาว่าศูนย์มมีคาเมื่อใดสันบวกกับหนเป็นสิบ่าศูนย์ีมีคาก็บอว่าจะศูนย์ในขีดเพชรขีดไก่ก็มีคาเหมือนในคมีผู้จะื้อเป็นเจ้าของที่วจะศูนย์ว่ะ มันจะมีอุปทานมัดนี่นแหละ ม, มีผู้ไปยึดถือออกไปแของคือประเทศอังสังธรรมสังสูงของหลวงปู่มหมั่นเพราะในจำมาฮาเสีงเ ป, เ, ปเป็นพนระนักวิทย์ในซื้อไปปฏิบัติอ่ะอนจำมาฮาเสียงในเตงมือตัวไทยสบัย ท, ที่แรกถ้าไม่มีที่อยู่ก็ทำประโยู่ที่ศูนย์ต้องร่างงูนไหวที่เขาโซบหลาน หลวงปู่มหาบอกบเฮ็ดนาเพ่นลบออกไปพ้นลบเขามาพ้นลบออกไปพ้นลบเขามาเอยากได้นาเลตาเฮ็ดซะเราบเฮ็ดดอกก็สักเปะะ็นวอัเ <c oughs> นพ่วงเล็งปฏิบัติเพิดหลวงปู่มหาสมัยนะ่ะอาจารย์ทั้งคอะเอาเยาผู้นี้ได้ว่าเขาคลางตัวที่ไหน ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอยู่ที่ศูนย์ควบเป็นจริงลุงู่ลงุลงปู่ ม, มันเ่อดทเ่ท่า น, นธรรมะสันสูงแต่สำคัญว่าตนสเสวยเป็นันิทิษฐานธรรมะสันสูงเลยธรรมหาวะท่านเราเป็นพ่อผูอยเราฟังา่งอยฮันเราวิ่ขอวัดอยู่ด้วยวเกียวกับเพินบริลลลงมาอาจารย์วันพุนึงอยฮันช่วงเมื่ไหร่ลงม า, า, งา ม, มัดแล้วหลังสันยางหันแล้วล่ะลุงู่มหาเลยเตยมหาล้นเนยล่างออกแหละส่วน ถ้าไม่มีที่อยู่ไปอยู่ที่ศูนย์โบมี่้ น, นมุ ต, มนตัวไทยสมรุนเนหรอออกเมื่อไหร่ตุนเทปเป็นก่อๆให้พนนข้ใจสัเฮ้ยจะไปเก่งปันหลวงปู่มหาทั้งแต่งหนังสือนี่ว่าหาตัวจับหยาดเวยแมนเอกเสีด้วยขึ้นเบ่งไปยังปีน่้น เขาหาวัาหลงลบปู่มันเป็นตอนฤาษน้องรีพี่ไม่่รั์เนยเขาติดเก็บไว้อยู่เขาไปิีมสายโปรเดียร์นี่เก็บไว้ยัยยเเยงเขาโ่เป็นตี้แจงมาเขาเลยเผาเขาไปเห็นเขาเอามาถามเขาเนี่เพราเขาติเก็บไว้นี่สู้พวงเราเอามาถามเขาซีกมากซีกมากมาถามสู้พวกกรุงเทพกรุงมาถามเนี่ยถามเาเขาก็เลยแกไ อะไรวางที่เอาบอกครับสุพงศ์พระพุทธเจ้านะ่ะถ้าข้านกับอ拉 น, า, า, นด า, อ า, าดาบทอุธกดาปดพระพุทธเจ้าก็ยอมประพฤติตนให้เหมือนพวกดาวด ท, ทั้งสองเสกอ่อนอันนี้ตัวพรประพฤติตนเหมือนดาวเหมือนพระอาจารย์มันแล้วหากินทักพัดค้าศ แล้วขเขาก็บอกว่าวิญญาณมีจริงหรือทถานการ์หลวงปู่มั่นชอบสังสรรค์กับวิญญาณหลวงปู่มั่นพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหลวงปู่มั่นก็เป็นพระเจ้าองค์หนึ่งแต่พระโครมมาเนี่พิจารณาอย่างนั้นมันเป็นปฏิจจสมุปบาทบาตรคนละอันไม่ใช่มันคือไทยรัฐเขาสีมาให้หาอาลเขาเลยนํานมาถามเขา วิญญาณม่มีกิ่งเงผู้ถามก็เอามโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบก็บ้าทั้งสองทั้งผู้ถามและผู้ตอบตุลวรวางสินลวงปู่มหากระเทศดดาอวทั้งนี้มิดอ่อนสนเก็บหนังสือส่งนันไปส่งไฟที้หมดแล้วถ้าพระไตรปิฎกมันบุคคลนผู้ ถ้าพระไตรปิกบ่กมปนตกองปากว่าท่นบุคคลผู้รู้ก็สามารถเสีรดูได้ถ้่ทั้งนึงมีขันอยู่ใส่ขันอยู่ทั้งนึงเข้าสูพระนิพพานแล้วสามารถจะเป็นบุคราธิฐานมากให้ผู้มีผู้ใส่ขันเห็นอยู่ว่าท่นต่างคนต่างเข้าสูอนุปาทิเสยพรนิพพานแล้วเบื่อได้มากเลยว่าท่นเมื่อนมีการแสดงกันว่า่นเพิ่บอกมันก็แม่นก้นหลวงปู่มหาอะเออพินัทมัชสิซอไอ เอาไปเอามาหลวงปู่มหาเทยองเอาท่านพระไตรพิโก่กเป็นกองปาบบุกคนผู้ปฏิบัติกรามารถมสิรูทั้งต่างได้พันข้าว่าท่าวพระสาลีบุตรมีปัญญาหลายกมู่หิยังสังมุขมีปัญญาหลายยุตินเนี่ยคเขตพระไตรพิกคันสัพระมุขละมุนเสว่าสมีฤทธิ์มีเดชหลายกมู่หิยังสังมุขมีฤทธิ์มีเดชยุติเนพระไตรพิโลกันไตร พ, พิกพระเพียง ก, กอ็อมนม้ำใ่ ส่วนชิปไม่ได้ลงในพในระไตรปิฎกเหมือนน้า ม, มาหาสมุทร้วยสันเพลน่าหรือปู่มันเคยเทศเดียเมียนก้มเพลนครับๆบบนี้หาซื้อซุ้นังสือซุ้มหังขึ้นตัวไปบอรอดมาหาทำนี้แวเลยทำนีน้ขนทุกข์สุขดีขนกข์สุขดีเอาหัวจักด้วยบาประเทศบุญสุพน่ไม่ได้แล้ว ตอสิบปีสิบกว่าปีเลยล่ะถ้าเดี๋ยวรับเยอะต้องซือทุนหลงปู่มหาบนบันคนพหลังพอดีได้คนชาไหวไห ว, ไว้ีิบิ่งปฏิบัติสักว่มันเก้งถึงปริยัต เจีงถึงปฏิบัติเจีงถึงปฏิเวทเด้มีลีลามีคติในตัวเด้อพระเถิดองคุ ม, มหาหอค์ขบโอ้ยผ้าไหมพืชนี่่ ข้าอยกันข้าวโย่นันไม่นช่ใหท่านทิ้งท่องก็่าทิงท่องคนนูบ้ได้ขายกเราันนะท่านกบท่านรกันู้บ้าได้อีกคนโยกตบนี่ว่าันใหท่านโฉมว่าฉั่นโกับคนใดได้ก็เนืองฉัน ไปก็บไระจะก้นหรอพอดีกับเนี่ยน้อยเนี่นน้อยกับเพิ่นน้อยอกลับโมเพิ่นนี่ละยี่มึยืเดเยอะนี่ละผม น, น, น, น, น, น, น้อยเนี่ยจะขี่เพิ่นเปเนี่ยยุ้ยเว้ยบุญวัสนาเนี่ยน้อยไอ้เจ้าสั่เอาช้าั่นวันาไลยเจ้าูาาาาาดดกับอไรพอดีกับเจ้าก็ั่น บุญวัฒนาลายๆราบวชพ่อวัน้อะรเียเขาหมดเ่ว่าภาษาเี่ยวคยได้รนี่กะทตนะ เรื่องอันนี้เขาก็อ่านออกเนี่ยเขาเขียนหังสือปัญหาเะเขากเขียนหนังสือกับหาคุณอินเนี่ยคุณอินเขบอกตอมาว่าบนนีคนแฝงเจ้กเหน็ดนะครับเขาเขียนหาคุณอินกำลักระดุมยังท่านประยุนอันนี้เรื่องเขียน่าเนี่ยท่านประยุนพวกท่านจะไปวิจารณ์ไหมว่เขาก็เขียนหนือปัญหากระดุนต้องคุณอินมันแม่นขึ้นล้งปูมหาได้เ ในเวลาหลวงปู่มหาเทศพระองค์ได้องค์ต่อหน้าแขกสักทุกสูงท่านทะยุงเงินไปขอไห ว, ว, ว้เจ้าก่อนเอาง่ยเียก็ตีข้อหมายแล้วบเรามายุ่นี่อันไหนเขาเราข็ดเหยียดสารุนสารดอดาอันไหนเราก็เหยียดอ๊ตเขาโอตดาวกสามสิบสี่เหมือเราขัดเหยดเป็นเกียรติเป็นยอดในสำนักนี่นเราอยัางมงึงคนเราทีมเราเสียคือจังเฮานี่ด้วยมีสิ่งดีอีงจากแนวในวัดนี่จาเป็นต้องไปตีสิทธิไปสดเพิ่นอันมอนี้ ต้องต้องมีมตติไปทั้งนี้ต้องทิไปสิบไปทุบสดเพิ่นในเพิ่นเสียมเสียวันวะมันมาเสียนนท<ำ>ีฮันในเพิ่นเขาเลยอธิบายไปสิท่านาหารว่าท่านประยุนเป็นคนสลากเวล่าพลเทิดพูดได้ตอนนาเขตท่านท่านอันประยุ่นนี่สไปหามหลวงปูแห่งว่าเขาไหวสะก้อนเถอะเขาหน่อยไอ้สิวัง หวังเพลหวังสนะเพินที่จะไปหางต้นอากค่ไข่ก็วอาไปตัวเพิ่นนีบ่บวหลออกเี่ยว่าเป็นตะว่าก็ว่าให้ลูกทิ้งต้นอาแขกมาพนขอ้สะกอนอไอสะกอนสอ ย, ส ก, นสยสก็หวังว่าสเอาเรียมกับเพิ่นเรียมหนึ่งว่าสักขก็เอาขึ้นง่าตั ว, ว่าสันเนาะทันทานไปยุ่งสลาดนี่ไม่รารับหลังไปโอ้ยเพิ่นกระเทศผมุ ก, กันเน่ยหน้าเพิ่นว่าเพิ่นกรว่าผมคือเ็กน้อยนี่มันเป็นทสั่งตัวูบาอาจารย์เพิ่นทนน้อละม่ ตัวยะกไปเสียใจเด้อตัวตั้งใจทำมันดีในทางที่ดีก็ไปว่ารับหลังพุนพล บ, บอ๊ะเดือนพระองั่นขันไปว่าต่อนอาแขกท่านบอกบว่าพนบกพร่องที่ขันทาเราเป็นตัวพนบกพร่องที่ขอไหวสกเท่านั้น่อวาถึงแ่เพืนี้แล้วผมอะไรทำนี้กเดียวนี่ก็ได้เพ่กั ว, กว่าจะแน่หันนี่เครียดไงสนับหันในทางที่ดีท่านไปยุ่นนั่น หาผมคือผมหาเทียดผมวายขึ้นข้นนิดหน่อยนี่ท่าให้ตั้งใจให้มันดีเด้อฉันตัวจะไปเตือนแล้วหลังคนที่ไปว่ายังต้อนแขนนออกหนพ้นวังเอาพระเนี่ยนี่ย่งเดี๋วองศักด์มันผิดคนมันหนีตี่ข่านี่ถ้าประยชน์หตีข้อมาแบบยังงข่านนี่แล้วมาอยู่นี่ถ้าประโยชน์ยังยางนี้เห็ุนี้นยงคือเราม่ามีประโยชน์อยู่ในวัดนี่ไปไเท่านีน้ข่านนี่เพื่อทิเห็ุประสดึงข่านี่มันกลัวประสด้วยเมื่อก่อนไปทับจาของฮตี้ข่านี่เดีววองศักดล์ะโ โยโย้น้าเพิ่นโดนฟ้องเทศโ บ, บออกโมงจับข้หมายว่าเนีย่ยเพื่อนบอกเรียน ว, าว่าพี่ดีโมงจักไม่จับค้อไหนมบอกในทางที่ดีขรับหลังตะกอนวอววะจะเข้าไปบ อ, พ อ, อ, อกพระผาอุมนผมพดกระถดลรมานคือกันอันนี้ท่านเี่มานถึกน่อยตัวนี้ผมมันถือแห้งตัวนี้ส่วนตัวมันจะงานนดีนี่ทามันถือหน้อยตัวนี้ผมถึอแห้งก็ดีแล้ว ท่านเน้่เสียใจให้ท่านตั้งใจให้มันดีฉันตัวไปบอกรับรังหมดถึงตัวมันจังซีเมนไปบอกต้อนาคเอาไว้สักก้อนตกก้อนห่อยสั่นพ้นวาให้แห้งแลวพระองค์นี่แขกคนสั่นทั้งสูงทั้งหงายไข่เขาบไปตู้คนไสนาแขกวาวคนโมลอกพอกของยังสั่นก็ไปเทศต้อนาแขกนาพ้นฉันตัวจังงานเด็กเอาไว้โอ้เอาไว้สักก้อนตกก้อนหน่อยน่ะเอาบางยันไอ้สตี้เขาเนี่ยไม่จับบนตาย ทุกนทํานนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ ว, ว่าท่อนเลยว่าบานว่าใจไรผู้นี้นะว่าท่านทาชินี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ยุ่งเถียงไมได้เครียดบงังไงเสนอเาน่ว่าตวโตเป็นอาวุโสโดอยู่น้ำพึนไม่ได้ียบกระสวดตวนเสนอเขาหูยัรั้วโยงอันมู่นนี้เขาเลยเขียนไปหาผู้พุนอินอ้ยดมีกรแชจากบอลว่า่นเมนคักคกว่าปลอยว่าท่นุณอินเขีย น, นตอบมากต้องนวเพรเขาอยากทวงนันประมาทพึน ว่าูกเกิดยู่นเพื่อนโดนแล้วบท่าเพิ่นเอาเพิ่นเกษเอายงเสียเนย่านพวกนั้นว่าเขาเลยเขียนประหลัดเท่าเขียนนั้คือปหลัเขียนประหลัดคุนอินทำเลโดลหน้าหวังบนหันดอกย่านพวกนี้ละอาเพิ่นกูอยุ่โดนปันนี้บรรทาเพิ่นเกเอาเพิ่นเิเอาแบบท่านผู้บอกยุ่นี่ยปิวัติที่วเขาเลยเขียนระหลัดรื้อะแก่ซอยหลวงปู่มหาหมันเป็น่ชนอกว่ามันพิดบนหังแรือล่ว่ามันจะิษบนอื่นหรอกว่ ในทางที่ดีไปยังแังมไปบอกรับหลังหลังเอาคะแนน ย, นยันจะไปวอาต้อนักแขกว่าแต่เราไปคัดข้านเพื่นต้อนักแขกต็นว่าโอ้ยด้วันแสนนงนอยอยงีงไม่้วันแสร่งาสันเดยแมนจะแจพวกขาน่อยยังไ่ได้คืดไดดอนนีาถึงพ้นดินก็จริงว่าแมนนิันดี ข้าวยาวันน้อผึ้ด็อกเพื่นเทศพูดอดแหงแห้ ง, หงข้าวอเห็นหลวงปู่มหาไปบอกเจ้านายหลวงปู่มหานเสอีดรรับหลังของเพื่อนไปไมันเป็นทั้งช่นงธรรมดาเล็กนันช่างเล็กเพามันแนว้ยไปเฝ้าเต า, เตาไว้เล็บด้วยมันเนี้ยทไปผูขาดไว้เยีายจะตีคนหน่อยแห้งเลยล ว่ามันเนี่ยเล็บที่ไปลูกขาดไว้กับสร้างตีเจะแบบเผาขน่อยแดงเลยเรือว่ามันว่ามันเล็บทีไปผูกขาดไว้เป็นนั่นเป็นอาชีพของสร้างผู้ตีสิ่ตีค่อยตีแห้งก็ได้ึมันเล็บที่ไปผูกขาดไว้เพื่อให้โศจันทร์สันจังวนวนำใดลูกพูมันลูกพูมหาก็คือกันเพื่อให้โศจันทร์สอยู่นําบนำใดเด่นโลด ตีคอยตีแห้งตบเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของสร้างเล็บว่ามันเล็กที่ไปผูกขาดไว้คือกระิดเธได้หน่แห้งเอาแห้งขัดเอาแห้งแห้งถึงสองปีะ่ะทึงปีถสองปีะละวังดีต่อผลมีหน้าที่อันไหนเห็ดกระเห็ดยวสุประเห็ดประสดประชาโว้ยถึง3ปี4ีปีมมาาื่อจัจะหายดีปันไหนะ่น พิดคาว่าเนี่ก็บอกตบบ่ไปยังอัดไปที่แรกพิษคาจังสิ่งตีแห้งเธอได้หลวงพู่มหาคือกันหลวงพู่หมันคือกันพิษคาจังสิ่ถึอข้างส <AM> ิ่งเ่องหลายเธอได้ตีตีกับบ่ห้ตีกับบ่หายตียันในตีห่องกับบ่หายตียันในย่องมีนาที่ให้ทำเพรานั้นเมื่อเหลืองเท่านั้นมีน้าที่แรกแล้วมันสีดีเนี่มันสีจะรดให้จอดถ้ำโลดน้าที่ว่าหมอกไปเป็นทั้ง้น ทีนี้เพลนหามว่ายายาใหม่ๆแล้วก็เวลียนสักอันะนั้นอันนี้อาจจะได้ควบตัวดี่มันผิดพ้นยุน่นบอกของฉันเอารถสันพทันญายาๆๆใหม่ๆถึง3ครั้งต้องยุดเดือนหนึง่งไม่กรณีอันนี้ทนหามมือนี่แล้ว มือรุ่นไปไปออเท่ า, าไปขออีกเพื่อกะหามอีกมือรุ่นเท่าไปขออีกเพื่อกระหามอีกบัดห้ารุ่ น, นีแห้งเธอได้บ่างหอยบัวใจเราได้บ้าบบเป น, น, ะะนี้ตเนี่ยหรือเพิ่นบกขอเนี่ยไหเพิน่นเพิ่นหามจนสามเทื่อแล้วไปฟื้นบ่ได้ลบปูหมันคือกนรลบปูมหาคือกันท่านสวกเดี อยู่คนซายเมื่อนี่นอยอขานอนเฉีที่ น, นันของพ่อแม่ผู้จัดอกตาพวันนี่สิว่าตากระยาดยมาว่านตาแอนตาแลเรื่องมือตากระตาดโบสข้าวเขานนเฉี้วอกตาบอยากตากระ ย, ย า, ยาตไปแล้วไมสีสักว่านอนตาซัก สามเท่ อ, อะไรไ้พเาเอาตรงไงลบาทนี่ก็หาม่ได้มานะทิศถีของท่านจะตีราันหิ ป, ปยายเอาไปตากมื่าชันแปน้นเมื่อในใดหิบมางออกเพราะฉนอันผมหามอีหรีหรือผมหามป่วยๆกับท่านก็บอกบจกักอยู่นัผมนี่สามปีแล้ววะฉันว่าเปนะ็นนั่ันให้ท่านเอาไปตากสะป้ายมาได้ทิศถีมานะของท่านจ้ผมหามทั้งสามเท่ละ คถือผมเป็นคู่เป็นอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ฟังตัววาสันามันทำที่เอาได้จะทิศีของท่นานท่านฉันว่าเป็นนัสืยังว่าึ้นม่าปฏิบัติผมได้ไมท่านจนี้ยังาปฏิบัติคนบวให้คืนพุทธอยู่เรือนหนึงคนบวให้คืนพุทธีปฏิบัติยู่เรือนห น, น, นึ่งก่อนูมาอาเลือดไปปรึกษาพระตูเยึดยังไงไปท่านโยมนั่นเาก็ย่งดอว่ากั่ง ธรรมดาสร้างเล็กหรือพระิตีกลงถิ่นว่าเป็กตีเอาขนาดว่างนมันทั้งทั es. Es. ้งเข็ดเป็นเส้นนี <the> ้ล้าเันขนาดจํานีว่าเถะเป่นพรามานท่านนะท่างอ่านเพิ่มบกออกว่าจนหางขาดด้วยโบกขาดท่านบหงจักนะว่าผมหางขาดบกขาดม่นาทีท่านชงหูงจักตัวว่าเถอะทานทาที่เขารพผมก็ต้องฟังผมเนที่ว่าเถะเชียวทิศที่ของท่านีะกระโดว่าผลวอกของสิ่งแวดลองควรให้เราเพิ่มไหวขึ้นก็บ่ยากต่กว่า มูพนขึ้นไปเอาของมันนี่ขอวัดครูพ้นคนเนี่ยต้องไปห้องมันบเดก้าวกลกันท่านเด็กท่ยงท่านขัปัดัที่รุมมนปัดบเพื่นี่เดินอจู่ผมมนงตงมากคนเดิน่ผม่สองเวอ่ะ่ก็ปัดมนตาางนเะท่านก็ตัดปัดเอปัดเได้บนเติมเลจะาข้าสิ้นไปทางน เป็นพยายามบ้างกับเปิดห้องยังค่อยลงมาได้รออยากบ้างอยากบ้างเป็นพยายา ม, ยา ม, ยามบรารยังไวแหละฮะนี่ยอยอะมากเอตังพอดีตายไม่ซื้อซิกเก็ต อ, อ, อาฮะนี่ลงปู่ห ม, มันมูป้วยได้ยินเท่าที่อกเลยฟังและเอยียดตอนนี้ลุงปู่ห ม, มัน <c oughs> หน้หมูเซาเขาออกหอมมากเขินออกหอมมากมูเชิโตัวคู่หน่อยขาไปรับคนของไห้องบ้านขอวัดของไฟของบ้านไม่ได้เก่าตายกันเย่างย่างอันนี้ถือเป็นคติอันโอ้โนีพ่อแม่คุยจานเสียงเงี้ยงนี่ยังโมโน้องกระสันที่สีบ่็อียังหร่ เขาหนอ่อยว่าทีผ้ามุ่ไปเอาตาที่เป็นชงไรขหน่อยธรรมด า, าเราก็ภูง่ายเราเป็นเส้นตึกษาเ็นเคยเทีใบทเาฟังหลวหลวงปู่มหาับหลังจ้า้เอ า, า, า, าเป็นทิที่ของตู่เราเป็นเส้นตึกษาเจะาูเอาเป็นเส้นตักแล้วเนี่ย ว, ยว่าโอ้หน่อยว่ามุกผ้ามุ่ไปเอาตาเป็นไร ง, ง้อกัน่เอก็นากับผ้ามุ่ไปฮะ นันนี่ิบอพันน่นี่ออกเสียงออกเสียงก็ว่ากันทัพมันบุพเสีเสียอีหยังเนาะชิบเอะพันเด็กเก่ากัณฑาชิบเอะพันสมัยนั้นตัวกูมาหาชิบหาชิบชี้กัณฑาแหละสมัยนั้นชิบชี้บหัณฑาและเพราันยังหันแล้วฮะนี่คือนี่ตัวกออนกอนกองอันกองฉันยังหันได้เลย้ออกหองพุ่นเด็กกระดร 11, ิญนมดกันทั่ววัดเลยชิบะพันก็ะดิญนี่แ ก็ได้ยินนเมื่อสันยังหันแล้วผู้นี้ก็ไปแล้วบนวนนี้เขหน่อยขอโอกาสพ่อแม่ค่อยหยานสิข้ามงออาื้นผู้เท่าก็บห้องคืนสุดเสียงแล้วบาดนี่อีพออแม่เลยผู้ละเอียดแท้ได้หลวงปูม่ม ยังสันติยังสันติมาเนะ่ะคิดถีของมนุษย์นี่วะสันมันเป็นอย่งสันติมันเป็นอย่างสันติมันจะนำเสน่หบางอย่างแต่นน ท, แท่านมาหาอนยุพันศาแก่กว่าท่านเขามาตาบเลี้ยนเท่านี่ว่าที่ผ้ามือไปเอาตาราสันโตก็ได้ยินแล้วไปยังโตัวงมาแย่งเขามาอีกอันคิทถี่อันนี้เท่าหูจักได้ยนี่ว่าสันแล้วกับ มหาบัวไพรส like ีมีบร mm ิวานหลายก็กันพรสิไปทั้งเล่าหลายไพรสิไปทั้งมหาบัวหลายสิวาสันนี้นี่วาสันเพิ่นอวดแลวเพิ่นเด็ดเป็นชิดเอกทหารวาสันมันเอาทิศอันนั้นมาวาสันบ่ได้บ่ได้หิปไปวาสันฮิไปนั่พันมหาเรมือนี้วาสันบ่ได้มันมาแยงเงินยังสี่บ่ได้ตอนนั้นไอหลวงปูมันเอียดบ่สั่นูตัวท่านี้ยิยน้เดี๋ยวเทีวบอเขาช้ว่งฟัง ท้องมีเนียว่องหาฟังเต็มที่ไว่าทครับ <c oughs> มากแข้งอิทธิพ่นกันได้หนิเผื่อหลอสิผู้ที่ไปเอาตาดน้ำท่านมาหาเนะ่มันไนี่ผู้ที่ไปเอาพื้นน้ำเาเนะ่มันไถเนี่มันีมาแข้งผักแขงพวกกันได้นนิว่า่นมันเป็นจ้องโอกได้หนิว่าท่นทจักมันมาแข้งดีกันได้หนิว่า่น บ่ได้่ไดบ่ได้เหตุปไปทั้งทางมห า, าเขาเอาคนนะซึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่ก็โตเพรา น, นั้นชีวีพันนมันไ่ลงผู้ใดญเลยเพราะฉะั้นวอวดว่าตัวอะไรเป็นชีวีอวดว่าตัวอะไรเป็นคู่เพาะันเอาอันนั้นมาเป็นครยิ่งเพ่งย่งยนีเานั้นะเก่งปนั่นแหละหลวงปู่มาแล้วองดูชี้ซับไปคนแล้วู้บก็อ ย, อยู่แล้วมึงหลบาาับเจ้านั่นนี่ เช้านึงกับฉันก็พ่องฉันก็พ่วงเลยไปฝนพ่าหายนีแล้วไปฝนยม้กันตอนนั้หาแล้วฝนชาวบ้านแต่เป็นไม้ห้านฝนมาพระเจ้าก็เอาง่ายเลยสันบอกง่ายแล้วเอ้มันเป็นอาวัตทุกฏโบงแก๊บบอกว่าสัน คันว่าฝนไปยียงจังบ่ บ, บ, บ ก, กัก่กาน า, านนี้ยังม้อนฝนาสั่นหรือเก็ดปวบนไหรือยากอันยงบ่บเพิ่นสูไาสั่นนั่นมันเป็นอาวัตทุกข์กบ่ของจักบอก่ตอนนั้นร้องผู้หมันมือองง่ยง่ายยังมีอีกหลายอันเดียวหันเพิ่นใส่จักเพิ่นใส่กั น, น, กนท่านบัว กันหัวไปเอาเงนมาเห็นหมคร้ไปใส่เนี่ยต่อ้องขึ้นสุดวัดอีกบาทนี่ใส่ผู้ใส่ตอมอะไรผู้นั่นใส่ต้อนาห่อใส่ผู้อื่นต่อนาห่อเป็นนวัดทุกกฎผู้จักบอกอห้บางไงนี่ก็ได้แคนั้นก็ให้ห่อกดกี่ทังไปห่ออะไรยกู้ นาหาเลยเมืม่อไรนี่นก็เอาไม้หมาเห็ดห้องอาบน้ำห้องซาวมาสั่งมาแค่บ้านพอมาแคบ้านจะไปขอขกวิาดอกมาแค่บ้านนะจ๊ะจะไปขอขกวิญญาดอกมาแคบ้านนี่ต้งไปเอามา้มาซับฝักสะเหตุของอาบน้ำห้องซาวมาสัาง่งห้องอาบ น, น้ำนี่ คันห้องว่าอยาก่ายพาันมีห้องอ่านน้าแล้วห้กแก่ก็ได้ยู่ได้คันท้ายคือกันมดเลยมดไอพิษพวีน่าอย่างนี้ใช่ไมีห้องอาา่านน้ำนเพื่จะพากันนะพากันไปไตเตัวต้พูดหลือพูดยังเดียวคนละตอนนี้ก็พูดหรอกผู้นพูดยังเดียวคนละไม่มันจังรับใหญ่เยเอามากมันเอามากมเขือม่เหมือนั่น่ะรเี่ย เพราะอุณหลายนีคุณละลำ่ำละลำ่ำหม่เหลือจะคุ่หาหุกล่ำเท่านี้มิตรร่ำจบๆเท่า น, นี้คนุวกตหัววัดมันเปิดมุม น, นี่หมือรุ่อมากว่าสันยางหันเรนอย่เลยตั ว, วเรื่อยไปส่วนเนียนสีไปส่วนเนียนสีสีเชี่ยกัน ไปเอาไมา้ึ่มมันเหลือเยมากทั้งวันฟอเอาฟอมาทั้งวันอพอสังรแล้วเอี่ยลมปูเขาจะคืนเทิมืงิละล้มปูหวานจน่ระดิจาหาจะม้นขึ้น่าไงไล่าพ่ะดิจารมาถัวเาจะออ่ปล่าพรจารหาอุ้ยคนหน่อ ย, ย, อยอตับเนืเนสีว่าจะไปเอาไม้มาเฮ็ดทั้ประตูจะเป็นเังได้คนหน่อยว่า เขาอาผู้สยังไงมนโอ้นอนนกระเเขาทีแล้วว่ากันเอออกลับไปสัวันฟมานะว่ากันเดีไปนไปก็เบใหม่มาแล้วซัวาอดมเกือเพลนี่ฮะนี่เุทออกบาหองมาเห็นดีฮะนี่เุทาออกหองมามาเห็นทาเนี่ยเบียกไหมพเขาเพวัตท่าเนี่ยท่านหลากับเน้นสีมันไปใสจังมากันเอว่าัน โอยตามเดียเหมอนตโอยไปเอาไม้คนหน่อยไหมั่นไปเอาไม้ไปยังกับงบัล่าไั่นล่ า, า, า อ, อย่ล่แค่พระอาจารย์มาเน้่ยนหอยท่านไปขอนีสัยนำธรามหาบอกไหมั่นมัดเป็นอาวัตถุกฏอนกันพวกงจับบอกไปบัล่ามากประกอบไหั่นไปวิทยเขตวัดเป็นอาวัตถุกตเบว่าะั่นใช่อดทิ่งสิง่เ ง, ง, งเดียว อรีหวลเสียหนึ่งหัวหน้าลูผู้มหารก็แกงไปทะเลวดีเพได้ขึ้นมหาเพนเพนพอหายเล้วันเพ่ขึ้นไปเทิ่งละโอยไว้สัคมแม่ผู้จไมไว้สังคมน้อยนีลแิ้เากว่พิเด้อข้าเจ้าบว่าิด็กพิเขาเจ้าบอว่าเด้พิดดอกขน้อก่าพิษเดอข้เาอว่า้อข้าเจ้าบ่าเ็กขน้อข้าเจ้อกว่าด็ บวกมาล่าพ่อเมฆผู้จ่าพ่อเมคผู้จาย์มาเข้าที่แล้วแล้วขน้อยมันเป็นน้าขน้อยมากไงไฟสูงวาสันนะทํานตนเป็นผู้เที่ยมพอเที่ยมเมเขามาล่าอะไรเข้าไปวาสันขาเจ้ามาพิดดอกขอน้อยรับพิดเอาเองอันนี้ขน้อยสิผ้าขาเจ้ามาทําวัดอีกวะสันต้งขน้อยนักปราชญ์ว่ากันชื่อหน่วยแห่งแห่งเมริอา อ้าวหามันบมีูพวามาแต่ตัวว่าการห้ามวาเขาพิเคยตัวสะตัวหล่ะปว่าิหล่ะนนี้ห้ามวามันบมีโพวามา่ตบวไปเอาไฟจุดกดเลยมันจริงมันกับพวพิษอีหยังเนามากอามาเห็ดวัดนี่่าแต่เขาบมาเห็ดสวนตัวมาแ่กตัววัดแต่ห้ามวามันหั่นประตูาแ่ชีวะจังไรมเแต่อห้าว่าว่าจิม หรือตัวขงางล่างเขาบอกพบอกว่าฉันบอกพีชน่นน้อนกยกว่าันพุ่นแน่นะนักป่าตอนักป่าที่เขาทำป่านันได้เท่านี้คือนมาจริงมันกั บ, บพิดอีกครั้งหนึ่งนเอามาเอามาเห็ดวัดนี่ออชชว่าฉันผมเ่ามาเห็ดส่วนตัวว่านลูตัวแต่ห้องเบามันห่ังบาตื่นว่าฉันชีวะจังไรว่าฉันห้องเบาก็วาดที่ว่าฉันหตัวข้งางเขาบอกผีดบอกว่าฉันบพิชคนน้อยกว่าฉัน คนแรกนะกนะกักป่าแต่นัปกป่าจีวน้ำป่านันได้ฮะนี่ฮะ น, นี่นนลบก ป, ปูมหาเชลาไปเที่ยวฮะนี่เป็นกะทิจะได้ฮะนี่ฮะจีวอหับมูอตัวฟังทำเนียมยุบันล้งพื้น่ะคันว่ฮันกะทิเหตุกะทินเพิ่ว่าให้ไปเที่ยวลูกปูวันวันวิจวิจเกิดกะทินตะกอ น, นยังไปเที่ยวว่าสั่ นกระทินว่าเขาวัดนั่นขวัดนี้น่เดี๋ยวแว่หันแ่นีแว่หันแว่นีอยากอายเขาเพาะฉะน้นลกระทินนี่เขาเอามาให้น่เขาเอามาพระผู้จำพรรษาอยู่หันเอ้เพราะสิร้อนไปมันาะถือเลยจากอายเขาเพาะฉะนันว่าทำไมวิศกะินะกอนไปที่ไปเที่ยวทาไมจังไปเาะันไปไปวกรดาันวิเดือนิบสองเพ่งตะกอนโคต้องฟื้นไปไดสั่นบ้า้อื่นะ คนบ้านหงผอก็ไปนั่งัพววิทย์กับทินเนี่ยวิย์เับทินเนี่วิทย์ิมีวนเนี่ยตอนากระแท่มือเนี่ยเดี๋ยวเมืเ่อน่หลวงปู่มหาก็ไปกราเรียนพอน่อยว่าอยากมากราบเรียนพ่อแม่ผู้จา่า าาการงาพ่อแม่ผู้จ่าที่ใสขนน่อยกับหมูเห็ดนี่มันจะมีเอียงเดวเนว่า่นหน่อยก็ยังจักเบ า, ล, บาล้วบิหรออืนอนว่ายังยุ่มว่าแ่เอองคือมีเอียงเดีว่ายุ่จวายุตดตีกับว่านถึงยามเดือนช้างว่าแต่อยเมื่อขอหน่อยจะไปเที่ยววิเวศนี่จิเป็นยังไงนาะว่าแ่ อ, อ, อันนี้ก็เรียกมดกนแตวาไปก็ไปซะมาสั่งเรียกจะว่ า, วาถึงย่างกุตีได้หิดมาย่ามหยุดแต่เ้าผู้เฒ่าเห้ยหอให้มูู่หรอือเบาไหวเดชให้ <c oughs> มันไปสิ่ไปมือใดเนอะก็หน่อยอันนี้โอ้นักปากร่วกันจะไมนเป็นแต่ฟังไว้ สไปมืออื่นก็ได้ดื้อือก็ได้ช่เอาแต่ความสะดวกของโต๊ะต๊ะซักผาแลวบ่ใช่ชักเล้วขนน่อยท่านลาขว่าสิไปนั่มคนน่อยเร่งไหมใช่โอ้ลสิไปอัอไปก็ไปต่างประเทเนาะว่าแบบตาระเทศยว่าบ ขมันไปไปทา้งไหนพอหน่อยวะันจะไปทิศทังไหนเนวันอ๋อวันตออกไปจากไปวัตัดตกคือยังสิวัสมุกวะสันท้าทิือที่ใตก็ได้ทั้งทางอกก็คือทังทิศก็ไทั้งทางทั้งบานน่างพูนยังวะวะสันพุ่นเ้อมืน่ไกกันไรกนไหนสันอ่ะเขาตกลงมือแล้วเขาจะมาล่า เมีนม่รสันเขาตกล้มสิไปแหละเขาจะมาล่าได้สมมติ น, นี้เข า, าบอกบอกคือซื้อวันเถอะมู้ื้อได้เอาไปใส่ได้ฉันนักมันก็ไม่พูดเอาไปใส่ได้ฉันนักบันตามไม่พูดเอาไปใส่ได้อันนี้นอกจากพูดอินเท่า น, นั้นแหละก็มโนผดลเท่านั้นสุบัอนั่นมีพูดได้หุ่นจัาหรอกพูดอินมันหู่จักน้ำเฒ่าหนิเฒ่าบอกมันปไปใส่เขาลงผู้มหานั่นแหละ เอียดเต็มทำเนียมพกัปูยัยพรเอาเป็นเส้นทุกษาตัวห้เกียรติท้องเพลินไว้ท่นอันแล้วพระก็ตกล้เอาไปมืดพระตกลงมเอาไปมดแล้วก็ถ่าว่าบวชห้บวใหายข้อมเห็นบวใหายคนมีสิทธิ์ในควอมเห็นนะท่นมันก็ผิดตี๋กับกัปูยใหญ่านเพิ่นเคยสอนท่านเลือยอยู่นี่กปูมหาน่ได้ท่าก็ตกล้มมดท่าตกลงมมดดไว้ท่านท่า็ตัดชิ้นเอามืดแล้วท่านเพิ่นเอาบ่มีสิทธิ์พี่จะหน้าท่าน แ่ว่าเ้าโบหายข้มเห็นองคเพินเดี๋ยวว่าเ้าบนับถือเพลินมูโบเคยยี่ี้เียรมทว่าอฟังเ่ยมันไตกันมาไหนสันกับสมือเนี่ยปฏิปทาพักกรรมฐานสมือเนี่ว่านเถอะเฉพาะหลวงปู่มหาเพลนบอกน่ะกูไปใสกูละพ่อเจพะขี่คั่วมาสั่นกูก็พ่อพระใส่เจพือโพระบพ่อพระเจือพ่อต่พะขี่คั่ง่าสั่นเพลินว่าเฉพาะเพน่หลวงปู่มหามันไต่กันกับคังนั้นนี่ ไปกันอโคขังเล่สมัยเสมอเนี่ยว่าองสั้นพุรข้นออกจากพุนไปฮอดบล่าสำรับนี้อไปเที่ยวกระไดอืมแล้วพ่อเพิ่งอ่ะกันยูนี่กันยูน้าเมากันได้ว่าสั้นแต่ว่ามันเถ้าอะเดียวนี่ก็จะยูน่ะกันย้อนคนนี้ขันยูน้หมือไ่ได้สั้นกันย้อนกามูได้จะทำนี่สั้เพิ่งบอกเฉลี่ยเอยยู ซ problem, at, o, athletes, the ุปเระพันยุบตาตัีวะตัวดีโบหันพันยอนนำพองแหงตัวหันตะกีพันเก่งตัวยังนี่เป็นอนุรักพองแหงตัวหันอสัว่ากยาปัสับสมนี่น้าันไปอยู่บ้านเนี่ยฟีนึงกจะก มาบั น, นยิ่งวนั้นเพ่อนเอาไปเที่ยวเรื่อยๆถาบันยิ่งถ้าบั น, นยิ่นนยวนี่ตามมาขอพระพรคะพระจะองค์นี้ว่าถึงเขาก็สลาเพราะนั่นลงปูเนี่ยให้องค์ไั้นเก่ากระถิงนพวมัจริงเขาจะได้ลงปูมหานะ่ะทขาผิจชักดกี้ ท่านมหาเลยลว่ั่เอินพาไปประชุมใครี่พอไปได้แล้ว่อที่เป็นพ่อนาไปได้แล้วบัญญูเนี่ยเขามาขอพระว่าสั่นเอาห้อวย่ า, ายงอำนาจของเขาเนี่ยเขาเสียรได้ท่านมหาแล้พอาะท่านมหาไปยู่งหั น, แ, นแต่ว่าคนตาของเขาเขามว่าเลยจะสิหายไปไป สิว่าจังหดมือห้อท่นท่านมาหาไปเนี่ยไปที่ไปน้ำท่านมหาพรต้นอางนันมา้รนวัดเต็มสมัก็มาสิ่สี่มหาองค์เท่านัา้ น, น, น, นบร า, า, า, นะ า, ายดอกเป็นโบราณพอทราบจะเตียวผ่านถูกนั่งฟั่งโยกคนอายุสามสิบของฟั่งแล้ว พันศาน้อยปรแพภทมันทางอายุหลายมันก็สอบฟังพ่อพี่น้าที่ตัวกระดานให้โอ้ยขันว่ารฐ า, านได้ไปอีนนี้กัไปรับใส่พอส่เมย์เนี่แล้วบขอกมังคโลแห้วเปล่าไปในงานของพอของเมย์ว่ฮะวังสิเต็นท์ซ้ำโสซ้ว่ า, างัวา น, านวฐาน่าพอเมย์ห้ไปอนี้กัไปในงานของพอเมนี่เนี่ยวพอลเมย์กคือเก้าขนา อูนะป่าจาน้ปานป่าก่กันเจ้ามันเป็นฟังเจ้ามันมีขติมามือตายบนเท่ากรได้าพอแมีธุระยิงอยากใส่ยสิ่งองากแต่งนันทอขาลองเสือนไปนจักสี่เลพอได้ดไปน้าแล้วก็จะเพืน่นอาจารย์วันนะฮะอุบายจะัดท่องออ ก, นะอกข้านีามจัก้าท่านหนาว่าอยากไปน้าเพื่อนบอกเลย พอ่ากปฏิบัติใกล้ิวผู้มันน้าอยู่ได้ไงอะไรเป็นอยากอุบายคัดเท่าหัวใจลูกลูกผู้มันก็ไปน้ำเต็ตีฮนนี้นท่านจะให้ท่านลาไปไม่ด้ยังหนักนกของเธอเธอแต่ยังบอท่านจกไปแต่จะจคุ่นทำไมเกดีมาฟากวย น, นี้ว่าท่นเนี่ยว่าท่านกับท่านเที่ยหา่าววนไปเศร้า่น อันที่อ่านภาษาอที่อ่านมันลูกทิศคนที่ไปฝังอันที่อ่านนก็ไปนั่มจะว่าไปกินขมอเขีบออกน่ะกินขมอเขีบออกแล้วปูมหาสวนไฮแล้วปูมหาสวนไหแลไฮต้ยุ่มวยไฮมันดีเล้เะว่าสันคนว่าพอคนเอาของสวนออกแลฟูเนาคนมันยุ่งคนหนาวใส่ยอยู่อื เ <laughs> มื่อชิดเขาเขมาขี้ก็ออกงอนอกิน <laughs> หลายเด้เ <laughs> ขาเอาว่าฉลายเด้เทละกระ บ, งบ <laughs> งุงบุนขึออาจเลยพันลกปูมหาพันนอกกันอย ah ่างไรพันัวอยู่พันเ่งทีไปบอกกันพวกัรสุดผุนฟังนี่หรอกคือ <laughs> นั่นตอนนั้นละเนี่ยนี่เนี่ยะเอียดเจอลายเนี่ยลายแน่วอยู่ พพเพืพ่นกับเพื่นเพื่อได้ว่ายาเพิ่นมากเพื่นกับเอาแกนมีมากเลยสิบหาเหลี่ยมแกนมีซื้อขาตัวละสีสิ บ, บาทก็มีโอ้ยพอออกไม่ออกเลยวะบุญยันหกกันยังไ ม, ม่ยามเลิกกูเส่หน้าบอกก้อนสาเลาาาย่วจักไปตัวไปมากกูเสียไรเหลือไรลวงน้ำ ตากหมู่แล้วแปดชิปปี้ก็ชิปปี้ผุนมาสันขันมาให้เขายุดอยุตินอกวัดนี่จะก่อนเพิ่งถูเขามากคอ น, น, น, นมอนู่เขามากคอนชีไห้ข้าเจ้ามาในวัดได<ม>้่หงเกี ย, ยร์หนั่งแล้วแต่ก็เลยข้าเจ้าออกแกมีมากเกมีเขาต้ยอยงยดเบอร่ยังกอ ของทิ่มก็จาเอาไปของหัวก็จะันยังรับแตดเดกเอามาเออเอามาเอาม่าจ้าสั่นเลยไประตูปตูเอามาเอามหม่ากินนะฮยท่านยโมากยมานะ่าก ย, า ย, ายา่เน็่นจะเจะมาช้าอีกนั่งเยียบคง แช่โคโตลาดชีดาสนุนมวนละจับ ก, กับนายวันคมานามู่น่าถอดผาปลาผามาซ อ, องลอยนามาสมทบน้ำกันพ่มาเลยมันมีผ่าร้ายใหม่มันมีผ่าร้ายตอนที่จะมาหากเขาไปพอขาทอด ออกพรรษาดิบอกว่าลาดอกพราปีใหม่เหาะาไปอันนี้ได้เป็นยังไงกันนออันนี้ได้เป็นังไก่อจับนีได้เป็นยังไงกันอนี่นี่นี่นีุ่่มนึงนีุ่้มนึงนี่ซุมนึงนี่ซุ้มนึงก่อยนี่ซุมนึงนีุ่มนึง ใส่ให้พ่อแมูจารย์ดนะทำใหม่อ ๆ, ๆอยู่นะมายเทหๆอยู่ทาไปก็ทายแล้วฮะเขาฉบออ ก, ออ ก, ออ ก, กผัวฉันควรทยไปเขาฉุดบอกผัวฉันโ้หูกลายที่ถึงสีร ข, ขอวางเงียบใหพ่อแม่ผูจารยใช่ พ, พ่แม่ครู่าอาจารย์ปใส่พวกขนอยไปใส่บล่ลงแล้วอะรถูาากเชียงได้ค่อเริ่มชัดๆเจ้าัสามหนุ่มสหนุ่มเนยพวกคนอยไปใส่ด้วยนมก็ไปทับทุพวกคนหน่ <c oughs> อยเนี้ยอะไะเอาได้ก็จพ่อแม่ระจเมพ่อแม่รูจังเดียวนอกันยังไม่ไม้โยละได้ ที่มือเขาอีกเวลาด้เขากัตบตองเบิ้งอารมณ์บุญชอกนเลยบุญะกันบุญจะกอนบงญพฤติการเพวกเขาจังเขางูได้พวกพวกเขากับพเขามือที่สามจังได้เลยมูอควรนังไรแต่พ่อมนมันจะได้ค น, น่อ ย, ย่ใช่เกียมตัวให่าเนียชันวั่นไอ้เกียมสน ย, ยนะิบยวนี่เขนอยไอ้เกียมที่ตั วพวกผู้น้อยนี่พวกท่านลาเขี้ยมที่ต้มน้ำอยู่ว่ตัวอยู่กล่องกองต้มน้ำก็กล่องน่อมเนีย่ยแต่ท้าข้ขามกล่องล่างดุมยิบปทออาจารย์วันหรอก ไ ด, ได้ได้ยักฝู ด, ดุดขอแค่เดียวได้โลดได้ยีขั้นที้าพาชีว่านี่มันเรื่องของปณิจรณมหาวัน์ปู่มหาวัน์ประกาศเรียงผู้เนกาเรียนหมนดแวคุณเป็ น, นย่าเยอกับผู้นี่วนยังไงบุข่วนยางไงผู้นี้อันนี้มาพูดเตียงท่านนี่มือพันเลยินงเนี่ยชีวัยฟังท่านนี่ ใส่โยปีที่แล้วนนเพื่อก็นอนเตียงนอนเตียงไมไผ่ไม้กลมกลมกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กตีงไปตียงมาตีงไปเติงมาอยเตียงนั่งเตียงเตียงไม้ไผ่เสา ก, สากับเสาไม้ไผ่ห้ากับห้าไมไผ่เี่วกับเลียไม้ไผกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กสไปมาตนเล่นคืดปูเป็นคนค่อยในส่างคารวาวาันจิตทับูเล่นอี่ไ กูก็พันอวดว่ากูได้เฮ็ดไหมเป็นยูเดยว่าสัตวบอกขโมูคนนั้นมา้พันกูก็เฮ็ดอีกสตองทับกูได้นีว่าสัตเนื้อเฮ็ดดีสีเฮ็ดจังไรว่าสัตวพื่นจริงแล้วรักเสียงใหม่ไว้แล้วเสียงเสษกุตีด้างนั่นั้งนี่ไว้ซอดไว้บนหัเแรมบนเนี้แร่ซอดไว้ก็บรมบนเสียงเนากมันเหลือกุฏิมันเหลือใหม่ในทอดจะเป็นนี่ยมันเอาไว้เลอสไว้ ักระกาเลื่อยในคณะม่านเล่ะกาเลื่องหลวงปู่หมันบุตรใเขวมขวมผู้นี้บ่ตรใดห้าใโลดขวัญไหคือว่าอยากเทศเตียถวายพเมรูขจันท์ที่เป็นที่ไหนอกกันขวัญไหวหตนี่ม่จิตทััหวเรยว่าขวัญไหเคยสา่คารวะสว่ะทรงพระเมรุขุจัท์บักเลยวะพบเคยสา่งฆรวะเรียเอาเป็นเาเอาเอาขวไหวซะเา มันจะทับขนน้อยได้ไงวะเพราะคนอ่วยสาะคาราวาทได้ไ ว, วาา่าเมียครูจานก็าเคยสางหาราวาทกับบได้ไงวออหมอใส่ท่ า, วว า, าสาิกับเลียนกนึงเยพราะว่าเามียครูจานกับเลี้ยงกับเลี้ยงนี้ก็เลยไปกับเรีย้ยงก็เดยงูมากอน้นะอย่างที่กั น, น้อนนี่มันจับน่อนหน้าพข้มแงน่าจเห็นเรพราะาหน้าดีอื ปลอยอมาแลอนุญาตฝุดๆโอ้เฮ็ดเท่คันเฮ็ดที่เอากุ้งเท่าไรนอกก่องเขน่อยแต่นี่วันนี้เฮ็ดเอากุงสามสอบคือสามสอบคืบเว้ยสามสอบคืบห้องไหนล่ะูงที่เอาซ้ำเท่าไรนอกก่องเขน่อยแต่นี่ว ม, มันเทิตาบ่อพอใจเลยเด้หลวงปู่มันต้งไปนั้งชั้ คูอเซให้หลูกกองบลอกพอหน่อยเลยเตียมที่มีลูกกองมันสูงเกินประมาณก็ไม่ได้เป็นปัญหาว้ก็หน่อยเลูกกองหนกพเฮ็ด่เกเตียมอมีลูกกองเราต้องให้มีประมาณมแนี่เขาจกดไปสั่นนมีลูกกองด้วยแล้วนไนด้านนึ่งเนี่ยจะสูงกว่าเกินประมาณของอิปยังฮันเน่ ไม่สิได้แค้เราคนที่ไปรบกวนทบบานหมอแล้วใช่ไหมเอาอะไรได้บั่เนี่ยไม่เนี่นท่านเราอน้อาบนอาดไวด้แล้วนีอยู่บนหน้าโช้องโถคนมามันพ่อแล้วคนศิลับอาสาเห็ดพวกขน่อยก็สิซอยพอย่ดอ่ะเพราทั้งหลายก็พก้นหมดหมดแล้วก็นอนคุอาน้ำพิลป์เป็นผู้รับเห็ดรับซิวรับกา้ารับไม้ไม่ใช่ นับเขาใชาไหมโอ้ไปเห็ดไเห็ดใช่ไหมกลวแก่กบกุตังกบกุ้วัดว่าตัวเห็ดให้คู่ว่าอาจารย์นะไปเห็ดกางวัดแต่มันนั่นผาดได้ไงคุณละอียดเวลาหลวงปู่มาเพื่อจะยินบ่มดหงเอาไปเห็ดในปาคุณเดอแ่มันมีโด่งเล วัดดุงของ ข, ขอประเทศเนป่าเนาผลได้ขอต้นขเทีอนไปเจาะขสงภูภทเกดีดกรมพ่อหน้าเรยกว่านี้นง่ ม, มาทุบใหม่ที่ฟันคือการไปทุบ ก, กางวัดว่ไรเน่ยพูดนะ ข, ขาในดวงคนละเท็ดแ ล, แล้วบานีให้กับโม่ฟันกับไปซอยแรียกว่วบาบ้าน เนี่ยซัดและเขาเนี่ยตึงเนี่ยเดซีมือเลยแล้วมู่คนกับซอยห้าวเป็นผู้ซิวห้าเป็นพวกกา้าวเป็นพูกเขาแต่เพื่นอาจารย์สมมันน่าชิดาเนี่ยก็สร้างเติอบอยุ่แต่ห่างเพื่นบล็ อ, อกา้าออกหนาเพื่อนหาเห้าวออกหนาพราะห้าไเป็นพวกแปรขวาเลยเพื่กอนนกรเล้าใหม่เล้าลายซอยเพื่นเลยจัดสมมันน่าชิดาเนี่ยนะเพื่อนน่ะสร้างขุมงูสร้างใหม่สร้างเติอบอยุพื่อน <c oughs> เฮ็ดเล่าก็ห้ามมาแล้วบาทน่ดี่ซีมือแล้วเซ็หามมากวงโคกกวงโกกวงโคกกวงโคกกวงโพกตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกคืบนึงตัดออกคืบนึ่มาสั่่าหนิเล่าหจปุ๊บหลเดียวเลา้แล้วก็เฮ็ดนาเสมออยู่มาเฮ็ดนาเสียใจวัน มูจักโรดได้คนพ่อคนน้องวกพวกวกพวกวกวอไมูทั้งนั้นแแล้ววกหนาห่อคนจัดมาหาเเรียกวพกหนาหอที่ยิ้มยิมวันทรมานด้คณะว่าทั้งก่วงแต่แม่ผู้ปรรจาร์บอกแต่สมาสิว่ากวงดวงสีคนหน่อยคนนอยก็เตามคำสังอะเดอะกรนท่อไปฟูดนั่งสั่งล้บพอใส่รับทรมานว่ามันถือตั้งใจไปได้มันถีมีแท้ท่าทำไหนเนี่ย เนี่ยบอลสีบอลบอลสีซักมาหนิโอ๊ยถาม oh, ว่าค่วงกับพ่อใจตัดออกเต็มที่เขาหน่อยแล้วใช่นสลักไล่เดื่อยเบื้งแหลถามลงมาลงมุมถามลงมาอีกถามลงมามาลุมมูมหัวละห้างมูมแล้วปุ้ยมาหาของหัวละเป็นแน่หรือไม่จักบดเราหัจักจะถึงแมนวงแมนเขาหน่อยเพิ่นทรมานเขาหน่อยมันติตั้งใจซําไหนแมนว่าเขาหน่อว่า เว้ยมยนพูดเมีนพูดน้องหีเพัเนพื่อนมนูดมนูดมันติดตัดไปส่ซ่อมไหมันติดซู่พนสีบ่อไส้พน่ไส้ดวกแคบบวกวางก็บมันเพเมีผู้บ่าอาจารย์บอก่เขานอเฮ็ดมากดีแล้วปิบอกเน่อยตัมมันติตั้ยากมันติดเขายากเลยันมีคนไหคนนึงไปฝืนกนว่ไส้ซ่อมห่ารั่วอ๋องสันว่าพอเห็นแล้วกิซิวออกแล้วบาดี้ สลักเดือเด้อมันโมมี่ไม่หีบมันโมมี่ไม่ ห, หีบมันโมมี่เล็กหีบจนสี่ขั้นเลยข้อเอาเตียงมาดันไว้นี้นี่เตียงมาดันใบนี้แล้วก็คุดรักอันนึงดันเข้าวหุ่นดันเขาน้าวุานา <c oughs> ่น <c oughs> แล้วก็สลักไร่วันก่อนดันแค่ก็คุกเสาพ่อเรียกอะารุนเนี่ยหามไปหามไปเพื่นพ้อยงอยากๆเลย ดังพึงดังคลายไร่ตางไมตายตาฮะพ่น้องผ่อนขั น, น, นย่ำผ่อนยองสั่นยิ้มบุได้เด้เซยเด้สั่นไปยิ้มบุได้อีกลักห่งครัไปเที่ยวโบิอป้าห้าอีกหลักบุได้้องเซย์ถ้ามันอ่ะย่ยังหลกวันนั้นได้หลวงพูมันว่าเปนของง่ายๆเด้ทรมานมนุษย์ทำให้จังไ่เฮ้าเนี่ยหวยนาบูดรวดเนี่ย โอ้บอกสันบอกเห่าพ่นบอกพักไม้บอกห้เฮ็ดดีนี่ยมันเป็นแค่การนอซะเก็ดนานยาวเสพเพื่อนหลดเนี่ยเเพื่อนบอกตัดเพื่อนไม่ได้บอกก็ซื้อในบังหนาห้อผอมเนมันจะแสดงกิริยาอย่างไรอย่างนี้เขาไปกอะขีเพื่อนอยู่แต่ล่างสิเพื่อนเป็งูเน่เพื่อน้องลงมากคนกาตีกอะตีเกาเส้นสขีขัี่ บ, บาาตขิเดบริขเด้ั้าเห็ดหน่อยนีงก็ด บ, บาาตขิเด้วงปู่ของอย่างไเด้อสขับเถิดหลปู่หมันมันของ่างไเด้อเจ้าอท่านหลวงปมาหาคือกานะอของย่างไรเด้อ น, น, น, นี่นออนน เ, นเนว่พิดเพื่อ น, นอ <c oughs> มันก็ว่าเป็นตพิษแทงพิด เพนละเอียดปันไหนหวันเนี่ยเน้นประไม้เน้นประไม้นั่นอาย้พ่อคืนทะเบียนแล้วฌานต้องค้ำวาอีกเก็บหาหกเมื่อสิพ่าเน้นประไม้ไปคืนทะเบียนพอพันในหน้าไปลองชนหนึ่งยิ่ง ยังฝเกียวเกยวเกีเกี้ยวเกี้ยวขึ้นนบ้านนี่ทันทองคามันอวดสลาดมันวาผู้เฒ่าบ๊องกักขี่ดังรีอนี้ยังมาสั่นมันกาโคการไวคอนปากกอนเจ้าวอกกอนควรทอนนั่นมือต่นนี้มือสีพ้าเน้นประมาไปขึ้นทะเบียนมาสั่นมันวาผู้เฒ่าล่าสมัยบ๊องจักอีหยังมาสั่นมันแจงกอนหมดมันแ่งกอนหมดมัน ขวมมันกายวะท่านให้วะท่านหลวงผู้มหาตาเขียวใส่จานทุ้กข่ำเออท่านั้นล่ะน้องลาผู้เฒ่าว่าของจักนี่ยังมันอันไหนมันแรนก่อนหมดมันแรนก่อนหมดมันออกหัอคิดหมดมันออกมือคิดหมดมันบวศึกษาหารือผู้เฒ่าส่นตัวมันขวมมันกายส่นตัวเออเม้นของง่ายๆบ่ละเอียดบ่ เพ่อได้ยินบอกกรรมฐานสมื อ, เ น, เ, อ, อ, อ, น อ, อเนี่ย่ได้เพืได้ยินเนีเขาบอกให้ได้ยินไดซื้อรับเนี่ยเขาเห็นเต็มใจมากเต็มใจเขาสมือคณะไปเที่ยวเขาตกลงแล้วามาพ้างเที่ยวบ่หบุมาลาทั้งคนเนี่เอาเ ด, ดี๋เขานี่ยเมื่อไไปเที่ยวก็ลงปูมหาเขาเนี่เพื่อผู้จ้าวคนหน่อยทีไปกพ่อแม่ผู้จา่านนี่แหะพ่อแมู่จน เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วแต่ห้องไปมันกระถึอแค่ห้องละว่านมันพิดที่หว่าก่มอาหารนนี้นมูนว่าห้องงขี่นนี้เวลาคนกลัวหลายหลา้อเป็นผู้เมียนขีเพิ่นเน่มเมียนวุจลาเพิน่นห้างกอบแท ก, กระทนดอบกแท้กระทนกรอบอ่อนกอบแท้ บ, บุ ก, กีดอกแท้บุกีมูนท่านไหนก็เท็ดท่านนี้ มูทามาตต้าไลมตบตีเฮ้าว่าเฮ้าหัวขีว่าสั่นว่าเฮ้าไม่อยากให้เฮ็ดว่าสั่นเขาเลยไปตุ๊กจ้ากับหลวงปู่มาใหา้มูเยอะมากขอขอหน่อยเฮ็ดเมียถ้ า, าจมพ่อแม่ผู้จนมันจะเป็นยังไงกัน <c oughs> นะแต่บอกตีให้อันหลงอยู่ลุมกำแพงทานเป็นพวกปรุงเฮ็ดหอกเอาไปเดือดขึ้ขน่ายทนท่านปรุงเฮ็ดเองะ่ จะท่านเห็นว่ามันเกี่ยกวมว่กายเห่าท่านก็เลยเห็ดเพื่นก็เลยเมตตาทายให้ท่านเพื่อนกะปล่ไปทายถงแต่หลุมของเพื่อนเนี่หลุมของท่านเห็ดเพื่อนป่วยมาหลายหลายเพื่อนเห็นท่านตั้งใจเห็ดดีเห่าก็เห็นท่านตั้งใจเห็ดดีเห่าก็บ่ได้ถือว่ากลัว่ากายเห่าเพราท่านกระวังดีกับหลวงปู่ก็พ่อกับพ่อแม่คุยจันทร์กระวังดีก็เห่าสามเย็จตอนที้เห่าก็ไ่ถือว่าสันท่านกะานระไฮมู่เห็ดเนี่ย นั่นจะเสียธรรมที่วะท่านเพราะท่านเป็นพู้ปรุงแต่งขึ้นแล้วเดีย๋ยวผู้หอดกอดว่ามันขี่เดียดขี่แต่ปัหาผู้ขึ้นมาแทรกผู้ีข้อหมายอย่างท่นที่วะท่านท่นถ่ายผู้อื่นเฮ็ดปรุงนู่นนี่มเสียวะท่นนู่นเจบตีเขาหายยนอยวะเขาหนอนเขาขี่วะว่าก็สร้ า, า, า, สามาแม้วะท่านผู้อื่นก็เพ่อ้ปรุงแต่งขึ้นวะท่านผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นกับแม่ทําผู้เดียววะท่านเมื่อท่านปรุงท่านแต่งขึ้นฐานก็ไม่ถึงสามฐานแดีววะท่นซีก็เปนท่านเฮ็ดนี่วะท่านท่านก็นเฮ็ดด ทนตะไว้ใจในท่านนั่นวะั่นท่นยังให้เฮ็ดทานท่าให้ทานเห็ดไป้่ทาไปให้พื้นเห็ดมันก็ตงเสียตี่วะั่นเผื่อหอกยุเพื่นเขาไปทุกษาพื้นกเพื่นเข้าก็เล่ยให้เห็ดยังมาทานเอารุ่นมาเหมือนนองยอดจะเหาเหากอกว่าเี้ยงว่าข้องขี่จะปังพูนะเหาก็เลยวอกนี่ไอ้เ้าโอ้คนนราบุกง่า ผมไปได้ไปปุ๊สาหลวงปู่มหาเะนนาะจมาโอ้ยพ่อไุ๊สาวุลวาผา้นิจฉลหาไร ว, ว้งหลายมาตีว่าห้องของขีว่าห้องของขี่หาดได้มเ น, นี่ย้นีถ า, ามจนอหอดพุทีหอดกดกองเพืพพพ่อแจงกองากอหลังกัมันหลวงปู่มหาทานนผู้นึงท่านาผู้นึงท่านที่หาผู้น้งไ่อรซา่าพวกอยอยนิสัยยู่งนีุ่มั น, นั้นพะแขกไปนัู่าจานชุนยยไว ซ้มนี eh. yes. ่เป็นกองหล้างไผ่พนเป็นผู้แต่งในหลวงภูมิภาคพอไปหอดแล้วมือเลื่อนมามีผู้นึ่งไปแต่งขี่นี่ไปแต่งปองท่านแต่งปิองปองปองปองทุกหอบประเทศแต่อื่นเลยที่แค่นั้ว่าสั่นเนื้ปูนที่แต่งปองทายแห่งพรอแม่คุณจานีเนี่ยว่าสั่นยามาเฮ็ดยามาเฮ็ดประศั่นพเทธาวาส เมื่เหตุดไดก็บรรเทใจมันอกทา่านลามันเคยเหตุจู๋สัน่นคองไฟคลองมันมาสัน่นมาเหตดไดก็บรรเทใจเทออมาสัน่นออจะประกาวมากลากันมาั่นผู้ใ ด, ดเคยเห็ใ ห, ห้เฮ็ดจจังเกามาสัน่นเข้ารถเขาฟังอยู่ทางผีมมันมันบางพวกเข่าอยู่ตาเขาพังเงาเงาโอ้ เราได้ถอดใจควรได้เราปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบว่าซัดถากว่าดีหรือบว่าอันใดก็ดีหรือพักสิงพักของกว่าดีหรือเอาไฟแผ่นฟลิงก็ดีพลไม่ได้พัดของเราดิว่าแต่เราแหงอย่างพล น, นักใจว่าพนคัดคัดของรวยเมื่อพนบอกว่ า, าแก้งว่าขึ้นหลังเฮาคือว่าการปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพม่เคยมได้คัดของเลยนี่ว่าแต่ เอาจังหงักเกีมเขาก่ อ, ต, อตะกี้เขากเกียงไก่คนอย่างทนทัดของเขามาเฮ็ดกับบถึกไกเธอดอกมาันเทอมาเฮ็ดเองาันแต่ทางุ ก, กองที่เขึ้นเขาก็ไปบินถบานน้ำมูด้เขาก็ไปจานทร์วันไม่ได้ไปบินถบานน้ำมู่ท่านจะหาไป ่อไปอยู่ไรสามขึ้นลกปมหาเลยมาปูหาผมนกถักมาเลยอีพ่อคูปตายเลยสีอยู่ให้ยันมาสรม น, นี่พาให้มู่เรียล้ะก็เลยมาปุ้หาขมา่าเท้าวะเด็จไปวินทนั่วหน้ามูอาจารย์รั่นก็บด้ไปอาบาน้อไปตั้งมาซร่ามู่บินมาเรียล่ะมาใส่หา พอข้างงานคนละอัางละอ่างแล้วก็งานอันหนึง่งผลจากงานอันหนึง่งท่านจำตัวนี่ก่ากวกายกันเมื่อไรขันท่านปล่อยให้มู่เพื่อ น, น่บวชขวมไปผิดไข่ต่ว่าท่านปุง่งแจ้งึ้นแน่ขี่เดียดขี่เพื่นไปหาผู้อื่นมาแทนมันก็ไปเสียทานนัที่มาสะัตว์เป็นหล่อวันเมนียนเนี่เนี่เสียทานมนสาสัตวบกกล้วหา พูดก็ไม่ขอว่าคนอันอนมาเบียดบียนอทีหยังมาั่นพนวาท่านก็ม่ไายเนี่ยอยุขวัดไปเลยมูก็ม่ไายเนยอยุขึ้นก่มาั่นมันเบียดเบียนอียังมาั่นมูก็ได้ดีเนี่ยเพาฉันท่านทังเสียมาสั่นไขก็ว่าท่านเลียงบ่หอดกอดบ่หมันา่นปรุงแต่งอะไรขึ้นเบ่เป็นพ้นําเรล็ดมาสั่นเหตุเาท่านพ่อถึงผิดถงชิงเศรากับบ้านเศ้าตายกับบ้านตายก็เลขวานนี้พหผู้อื่นมาเหตุนันกระเสียท่านหันาั่น บา้าจะมันเพิ่นออกเป็นท่ำเว้ยเข้าเราเข้าลรเพลินหอดมือตายตายเรากนเกินเราตายอีกแค่หาซ่าเท้าเขาจะถือเอา ไ, อไม่เอาเนว่อันข้อมองข้อมองเนี่ยกะตีนล้วมันล้มปูมหาเนี่มเม่อไร้ังหน่อยดีๆเข้าอันได้กะด็ะไรหมดล้มปูมันสตายก็สร้างเข้านี่กวนมู่ ข้วบวมบาคนมาอวดจะซื้อเด้เตียงยุ่งสินี่เตียงเพื่อนพิมพ์หัวไปตะเวนออกนี่นั่นพักตะเวนออกนั่นพักทิศเหนือยูหันข้านั่งหนันนี่เ ต, ตียงนี่นี่ข้าวาฝ่ายยูหันข้าย่านเพื่นข้าย่านเพื่อนขาควบช้ไฟข้าย่านไฟใม่ใหม่เพื่นขาฝาฝ่นี่เพราตะเวนเี ย, ง น, าายนงนั่นในจานวันผมนั่งตุกขมญายูหัน ันห้าตายนี่วอยเย็ดห้าวตายในภาคอัตภศนะเอาเถอะพอล่ะจังเมียนซื้อปัญหาจะคุ้นเข้ามาเจดีย์จะไม่ปัญหาจะหนังสือพี่น้องเขาเบอร์อ๋อพอแล้วดูเอาไว้ดูเอาไว้ดูซัดที่ตายร้ายยู้ไซส์ไซส์กระตาไร้เท่ากันเอาไว้ดูมาเนี่ยพวกพ่ออนุคนเขียนก็ต้องข่าว โดนยะวนเที่ยงลออูไปพักกันไปซะไานแล้วกันไปซะเอาไฟไปดับซะวก็ได้จุ่มไเือไปดเอจะไ่ิไฟไม่ได้เวลาคนมองัมตัวเกลียงต้องหนาเพื่อจะว่านำนอเหยียเกอีหมดเพืเกลี้ยงต้องหนาถูก่บอกลาว่าอย่างงียเกี้ยหนาเต้องเหยีย บอกว่ากล่าว่ายังไงตัวบอกตอบปนยังไงอย่าตอบ่าถือตอบ่ถือตัวก็ได้นาตาพังเงาลุกตัวก็ได้เพิ่นบอกไปมอดไฟก็เลยไปมอดไฟอาจารย์ว่านก็ลงรงไปมอดอาจารย์ว่านจะคือกุตีเพิ่นเหนียวไปเพิ่นนีอาจารย์มหากำลังเขี่ยมาท่วมท้าถ้วนบังไฟไฟว่างถื คเดียวนจะขึ้นอยงนีไปจันาแล้วนดหน่การยเกิขึ้นไปวยประกำคนจะมองชี้มองลงในที่ตยกหนึ่งทุกยกหน่งเราลาบ่าๆร เรย่าค่อ ย, ออยขนนี้คคุณก็ยนี่เลยใยหันในคบอ ก, ก, ก่นี่คัที่คิดว่เอื่นะคุอกว่า น, าไไนคนทำว่ไกลป็นไ้นยุไก ก, กอนแสว่าเอาเป็นว่าทำยุไสแปลตีมขึ้นันแล้วาฟอไฟยอยู่ขนนนนึ้นอไติดมันทีนี้โคตรจริงกุกน เอุมหาล้มยุ้ย น, นี่แน่นแล้วบอ่านเราเากาเรียบร้อยไปนแน่นเป็นยังช่งมาซั่งเขหนอยปีเข า, น, า น, น่อยส่งูตัดสั่น่อยพวูพแม่ผู้จาร์ก็เป็นมามูเป็นยังางองององบอกฟังพอนเมล่านั่นนะท่านวานว่าจังไรวะว่วไดะว่าจังไรเรียบุ่มหนาเป็นแบบปร้ท่านไม่ว่าจังไรวะว่ได้วา่า ม่นแงบอลงหน่อยบอลงหน่อ้ฟังรีเสิร์มันแงนแงนไหอจริงเป็นวจริงแต่เป็นขวจริงใช่ไหมบงบอว่าแม่ผู้จ่าแม่ผู้จ่าผู้ใหญ่จะไปจะบอกหมายหน่อยผมฟังมันมาผิดฉัดเลยเรื่นั้นเป็นเ่อต้องการจะถือมากเป็นเรืองที่มาก เรื่งท่านมากพระองค์นี่เป็นพระน้อยพันาตปวจริงเรียว่าเป็นพระสนใจสอบนึกสอบคิดสอบวิจารณ์คนเริ่มท่านมากเป็นเรื่องเมื่อรุ่นมากในชีวว้าอีกเลยนี่อันนี้ยิ่งบดมูนี่พวกเก้าเนี่ยนะว่าชิเลอีเลยนี่อันนี้เรื่องท่านมากพันชีววิวทขาเข แด้หมื ite, ่ปีน่ะได้เวลาเนี่ยท่นพต้องการพูดมากห้องภาษีว่านิมนต์ยังสั่นิมนต์ยังสี่พระจีกีสั่งลข้างเนี่คนในบอกท่็นน้ว่าหน่อยๆคนในเล็กบอกจนหมดไยลงมากคนพวกนี้มันเป็นผู้เถ่าม้าบวชมันมีพระีมันตรองจะไปบอกกับผู้บัอาจารย์สร้างบอก่นบอกฝากระเมียนเ่อไห่บอกฝากมาเพื่อให้บอกฝาเอาสั้งกระเม่นเมื่อไหร่ เพื่อให้อกเืนฟังกับแม่เลยเริ่ม้ามาดกับแม่เแต่เ่อเลืนเสียวอนี่เลยเล่ใช้หนามูวมัดหน้าือจับตะเบ่งมูเพิ่นกับหน้าคัดต่างใช้งานเก้งแท้ๆก็เทียบเหตุเหตบผลูมรุ่นมากแม่นี่ดี่บอกฟังบดยินบดหมูโลควบเก่ายัดเจ็บตานั่นลวงปู่หมากระได้เพื่อยามากระละเอียดเจ็านั่นจับเ็บานั่นไว มุจจกกับพ่อเบี้ยคุณจันมุจจาเกินตอนนั้นมูงก็เคยได้ยินทางสีววิทย์ฟังนะเนาะมูงก่เคยได้ยินในเรื่องมึนี่เรื่องสีไปเที่ยวมึงมูงก็เคยได้ยินเห็นแจกแจงของอะไรพะการ่าอะไรไปโหลดเขาไปเด้ปรึกษาครูบาอาจารย์ชุ่มไงได้ควนไปหรือว่าขนไปเขาไปได้ปรึกษาเลยถึงมึงให้จะไปทางไหนก็ไปแล้ววะ ขเขาแทงแล้วมดแล้วเอาไปย่งอี ก, กนั่นก็ด้จานสมเฮ็ดกศลางฟัดจาท่านสม้มเพียร์เทนย่างเฮ็ดกดศลนะสันกศลกลางด้วยนึงก็เอาไปตั้งให้ไหมละ่ะสัน วตึกแลวจะหอมกางพรรษาใช่ไหมเฮ็ดสิเศ้าหรือสิบ่เศร้าบ่เศร้าอะไรนี้เน่ชานันสิฟักเจ้านี่ยอมพังสิก็ต้องพโอกาสคนจะกนบอนได้มันไปเฮ็ดได้ป้งปังป้งปังไฟคือเฮ็ดในเฮ็ดนันโหลดบ่ได้เพอโอกาสคนจกอกาเรียนคนจะกวนอเฮ็ดฟ้าแองน้าไปรีเฮ็ดยู่ในโดง เหสาเหแ่งนามมากเพื่อนบอกเสาเหตุแห่นามว่มันเอาโลเห็นว่าคูบาอาจารย์บอกตัวล้าเอาโลนั้นจะคมมูเหตุแถวนั่นมูกับใบได้เนยนี่น้าหลปู่มหากระดา้หลงปู่มัคือการไกลกันว่าฉันขโม่เห่ายิ่งสูไปไกกันเยอะคือเกนไกลคือว่าสิยืดปลย่างยิ่สูงโบ่าณโบราณ แต่หันมาหนี่กลกันมาไห้สั่งชักปีสามสิบปีกลัวให้นก็มาฐานรุดร้ายไปไดสั่้แค่มนึงจะเก่าหน่อยันพลายออกวิเวกผมเนี่ยพ่อวานาเยวันหันผมเลี่ยพวานายวันหนีได้มาสุ้กันพระผมพ่อวานาไปสั่งเป็นยังไงนะผมไปเห็นี่มีแต่นั่งเหเป็นสั่ม่นี้มีแต่นี้เป็นี่สี่ เป็นยังไงถามกันด้วยังสันเลยตะกี้สมองนี่ไม่กงินคาไเลยนี่นาฬิกาคอยขึ้นอะไเองาคาสูจเกนได้รอวนี่ปากกาคอยเพราะว่าอ่นี่ยาสองคอยเพราะว่านี่ยามอยเพราะว่าอ่านี่ปากกาคอนี่มิชิเี่เพราะว่านี่โยกสมาร์ททีสมาบปถามกันได้สมอนี่อ่นี่ปากอ มีน่าจะกลายอย่ในี้ความสเงนบอเเอสันนาเลยสูไกลกันวันยังนีเนียนอย่ขี่ขี่อซ่องคอยนี่ว่าจะประเทศนอกเล็กเจ้าคุณที่สุงว่สำเร็เออมันเกิดเรืสันนเต่กีว่าจะเป็นยังถามกันว่าเป็นยังไงในวิเวกะเพราะว่าน่าเป็นังไงเรถามกันอันอยู่ในวัดท่านิอยู่ในวัดหลวงปู่มันน่ะ เพือ่อเราเลี้ยงซิกว่้ไรไรขานีโหลดไปไถ่ยาบันอื่นผุนจ้องฆ่าได้ม อ, องฉันมาให้เราเลี้ยงซิกบ่าไรไ่ขานีโหลดบ่าบนบ น, บนิ่มาเราเรื้องซิกดอกมาสันไถ่ทะเลาะกันกันกบ่ได้ไรขาหนีตะกูโหลดว่าบนบนถิ่มาตัดสินดอกมาสันบนพบนาวนามาสันไปหาผุนพระพวกนักเรียนผู้ผลไตสวนผุนมาสัน หาจะฝ่ายคุณนไปพะสันไปในที่ก่อนกันวันนี้วับนมันชะตหรอันกรได้พะสันว่าหาพวกพระฝ่ายพกข้องไปพระสันไรนี้ถึงสองโหลดคนทางร้ายพิสกันเพราะไปได้ไปเนื่องกันะโอ้ยถือกันปนยังมันเคสเดดยากมองฉันว่ า, านัานี้มันของยังไงบะเอาฮะนี่ซิ่งของ สิ่งของที่ในบมาเป็นตัน้ำผ่ากี่ว่นขา ด, ปาขาดเป็นสิีเรียว่าล่งปูมันอู้ผ่าเะบงคาดทอ่สิ่งนเป็นเรื่องของเท่ารผูว้ว่าอาจารย์บวมิตรหงวมิมมตาพระทายห้กระตามผูดด้นี้ยังอยู่ได้เอันนี้ผู้น่าคอยจีเอาพ้นนี่คอยที่เอาพุ้น น, ออพนนี่อันนี้คอยทีเอาพื้นนี่อันนี้คอยทีเอาพุ้นนี่เ่อพูดได้ว่าดีนี่เรื่ล่องปูมันเป็นงานที่ของผู้บ่าอาจารย์เรื่องมือเพื่อนผู้ชิวาพูดได้ไปว่าจะสัน่นระด้ หัวขัโหลดถือเป็นของตามของยอมไม่บอกเขานว่าเคาได้ยินห ม, มูมูโต้เคยได้ยินเฮียได้ยินกันรถสร้ไปถามหลวงปู่มหาพเจ้าสร้างันพระตายแมนอีบบอกแมนเจเผาผู้จ ะ, จะก่อบออีบบอกขนอยหรือพนบอเอื้อว่าสัาไปถ้ามรด พูดเาบูามแมนเราตัต่เอาตายไม่ไดซื้อรอันเาทาสี่หายขีเสี่ปากโรดวัวขีเสียบดืนริ่นเท้าเรียกหายแกใหายพอกมาเนีนละ่ะขัดเค็งบอกรูปู้นี่ฆ่าชียเอาพาพื้นนี่ข้าเสียเอ า, พ า, พ ด, า, เอาอด้วยได้มี่ ผู้บาดเจ็บไม่มีหูไ่มตามือเปลือยไม่มีหูมมีตากระตามขาดกระขาดหันเป็นเหลี่ยงของผู้อื่นบั๊ดเ็เป็นเหลี่ยมของเจ้าของดินของสัตว์อรรถก็ได้ซึ่งวันนี้เาบายกันย่อให้เลือเอาแนวนอกแม่บอกนม่บอกวันนั้นนี่ว่าม่เขาควยด้วย งูก็เคยด้ยนเท้าวาอา์ไฮฟังเ่ยไกินนากาอันเี้สีนี่ยมันจีได้เอาไปเทียบเคี่ย ม, มแต่หันมาหันมาสามสิบปีฮนี่กรรมฐานเนี่ยตาหห่างปัดหาเรื่องพุท ธ, ธาพิเศษกับโบมี่ในสมัยหลวงปู่หมันก็เคยพาเห็ุเรื่องแกหูแ ก, แกตาพะกับโบมี่เรื่องสิสซั่งหนักซั่โยมมากประสุ่มในวัดเพื่อที่จบระเป๋ากขบโบมี่ในปฏิปาราเขาหลวงปู่หมัน พ่อพี่คิดดูไปเที่ยวกับหลวงู่ ม, มาห า, ายอภัยสัเหรอเข า, าบอกย่อมไปเอาข้บบาวปั้วหมาให้สั่งนั่น่วชีวินจัดเห็นบอกเอาสั่งเขาบอกสั่เอพบอว่าแล้วนะ่ะไปบอกเขาว่านะแต่สาวบอกเอาข้าวปั้อกั่งคิดเพินนะเพิพ่นเชงพาอไหนสัน่ง คนเชิงายสังคมคนพาคเชิงภายในสังกูวะ อ, อ, อาจารย์หลวงปูปป่มหาไปภาคพระธรมเวดบุนหนึ่อายุก็ไปจากเนตรท่านดนมาเจ้าหาเจ้ามหาอันมากยเหมือนระบ า, บ า, บานะวัดสังว่าน้ัญญายคนเดียวยังอยู่คนเดียวหลังนว่ายังอยู่ไมาใช่ยังอ ย, ย, ย, ยู่ยังยม่คําเดียว เขาบอเสือหนเขอเรามเขามาปวดบงยามพนเนี่โอยคนน้อยขอบางยามเดียววะสิขอจับเดียววสิพอขอขอถึงเ่วงมือแซ่ลวดนเอาเบ้งย่างค่เดียวคขาไมา่แช่ห้องสิว่าบอเบงมนเดี่างยางค่เดียวนกดี่วตัวไม่้อขี้ิบกุมยอมไม่ว่วัดตัว เนี่ยเก่งกว่านี่นั่นแหะยังยากอันดีขขาหูวหอาเขาบอกเขาจะไปเอาข้าปวปอมห้ยสันทนัพนพะจนว่าวิาจีวิตยาตุนะเขาปอมหอยวานในนาทองผูกว่าันตว่าคือความพุทธศาสนาจ้าวก็วจีวิตยากุเห็นบอกว่าัว่า เค่งปัญหาสัง่งหลวงปู่มหาเ ก, กิจเดี๋ยวนี้อนุรัมน้มูลลายปัญหสั่พระว่าอนุรลายสมก็เพิ่งว่ากันอนุรัมน้มูลลายคนนี้นะเาอยู่นมูลหงตรงนี้ไปตายอเพิว่ว่ามดอนุรมัมตัวนี้หมมันมนเมนด็เ ก, กิเงไหม ค, คอยเดยอก เนี่มูถือธูดลหลวงว่าสันไส่ให้มูเ ม, มื่อจะคลองห้าลมือเลยกินแต่เข่าเนี่ยมูมูมถือธูดงเขามาในวัดเขามาในวัดจุฬาลัณด์เมื่อไ้มีนี่ยมูจักมกลัก้าระมือแต่ฉันได้เข่าเพิ่มชื่อว่าเขามีอยู่ระเบียงตายเลยใจให้มูวัดยินดีเสีผพู้ได้เขามาในวัดบรลักอาหารเนี่ยัใจรับใจ ใ, ให้บ้านในหอดวัดเอ ส่งเสริมะแียบรื่นถ้าตัวไดรักไสไหายเนี้ยรักหส้ไส่หายจะอยู่นอกวัดคุณห่างถำบาเพิ่นสนเพิ่ น, พนที่บริสันเป็นนอห้่ฟังเป็นภูมหานะเป็นทุบาวอยู่วาสั่นมีเงินวีรีภพาตาของข่าอะไรเมื่อนั่นมันว่าจะไปกินกระดุมมาสั่น ปละอข้าเจ้าแห่กองบุญนี้ยังมาบูวาสันถือมาชนะจิตหนึ่งมั้งเหรอวะสิบห้าไห้วาสันเพิกออกบา ล, ลุนนี่กัดเงินยีสิมาจะตามกัดใส่ผ้านให้ข้าเจ้า้าววาสันนี้มากินข้าวหวานปี่าะสันเงินยีสิมาตามมันขอเพืเ่อนให้ที่เกศที่เก็ตัวว้า บอกทั้งท่านเลย่อมูได้พ้นพมีนี่เห็นทังสั่นเวลาพ้นลงทุนเพ่นลงทุนหลายเวลาพ้นได้รับพึงก็ได้รับหลายที่ลงทุนทั้งตัวพึ่งกันเมื่อเวลาลงทุนท in ั resort. ้งตัวหลายเวลาได้รับผลชัวมันก็ได้รับหลายเวลาลงทุนทั้งดีลงทุนหลายมันก็ได้รับหลายหรือว่ามเห็นรือเ่าเต็บส่วนมันมันเห็นกับศาสของมัน มันมุ่งายเด้ที่นามึงรู้ห่อัศเขามันุ่งหมายได้ตะกี้เด็ดคือยังงได้หลวงปูมันเด้จะครไปรับการจะไปรับการตัวกัาอัวะแท้มันท่านสาวรยากันมันคุยมันหยอกกันดูว่ามมตว่ากำลังมาสั่นหลวงปู่มันก็รอด เา้ยเจียว่าเผื่อทายว่าวันเช้าสายจะมันจะกดนว่ันพนาข่มึงทมันจะทอจะไม่ท่องเนี่กันณการพิยังนี่เดี๋ยวว่าสาววันนี้วัวี่กีหตุการณ์ปัญญังเ๋ยว่าสาววัน่างคนต่าอยู่น่ะจีตองเลใช้กระเทานี่ยมึ่เาซอมซ่อมใหะเก่าละคือ กายการทุกโมหะวะทั้งหมดจัพาให้มุาาาม่งแทตัวเมือขัวเมื่อขัวของหลวงพู่มันเจ้ของนี่จักไรก็ได้แล้วบด้วา่าเนี่ยสร้างตัดหลวงพู่มหาเนี่ยสร้างยิบอาจารย์วันเ น, นี่ยส้นยิบพาเป็นหลวงพู่มหายิบเป็นยิบยิบพาอันจักยิบจักยิบเป็นรุ่นอาจารย์วันเนี่ เจกิมี่แต่อาจารย์ว่นแต่ว่ายิบมือสู่คนบ่ออะไรอยู่คนจับหมาบ่ออะไอยู่รถตู้หมาบ่ออยิบมือยิบจักมันพนิบเป็นรุ่นลูกตู้หาอันอาจารย์ว่นเอกะนี่ต่วเปนอาจารย์ว่นอยนี่เป็นกงูเจกมีจากน่ขางก่อย่างว่านี่เป็นยุควางล่างดุนตัวเขาว่าเป็นเนาะตัวเขาก็มาเฮ็ดนึ่ยิบจั๊กแต่ว่ายุฟู่จะก่อเนาะ กับยูกับคุณอินทันมดมือกับเลยพื้นหนึง่งมัดมือเลยพื้นหนึ่งนะจะเท้า้องโมเห้ดดูง่ายคือมูอะไ ล, ลหรอเขาเห็วเวดูห น, น่อยเขาห่าอหายนะแต่ทั้งสายตั้งตาถ่ายจะฆ่าเปลี่ยนเท่าแป้ี่ยนตั้งสายตาถ่ายจะฆาเปลี่ยนเพื่อใการเลี้ยงไปทอดละมานนี่วันเพื่อจะโก้ถูกก็รเดินมามือหนีไว้สั่น ห้นอมือเาเดันตัวกตั้งเพื่อเดียวเลยอะบาดตึ้งตีนตึคุ้มวยคนนี้ย่มดูตัง้งน้องพูมอาหารเรื่องหอมาน่ยห้าเที่มันไปไ ป, ไปเป็นเซฟกันท่านี่ห้าสบอกน้องพูมานั้นว่าของที่ด้เนี่ยจีบินทั้งรุมขึ้นกับบัวแิษจิบินทั้งเทิงร่งกับบัิ เรื่องห้องผามันจะเป็นเสอร์กันขันห้องบวชอะชีห้องวาดออกกับพรพิษชีห้องวาดเขากับพระพิษพระรังกาห้องวาดเขาเพราะมันฑาลสิิตทาทวาดมันหลวงปู่ ม, มันบอกพระในเเ้สนบาทหนึ่งคนเป็นปัญหากนเสมุนยบาดสเตนเลตลำเกียดหลวงปู่ ม, มันว่ า, า่ดได้พิษจัดเขาในบาทเล็ก บาดเล็กหนึ่งบาดเดินเผานึงไม่ได้พิสการบ่มบาดสีบ่มร้อยร้อยไฟก็ตามค่ะมันก็เป็นตะเก็ตนั่นกับใช่ปะได้ไม้ขั้วมาการบ่มกับไม้ขั้ว่าสีบ่หายมันเกิดสนิมหายไม่เป็นตะเก็ตเป็นว่าสิบบ่มไฟเดียวมันเป็นตะเก็ตก็ใช่ได้อยู่คน้นทาง้นมักเป็นปัญหากันในเรื่องนี้เรื่องบาดนี่ บาดตะแยนเลนไ่ได้บุบ่มคุนั่งเกียร์เจ้น้องปู่ ม, มันว่าบาดเครือกระเบื้องพิดพิษต่บาดสังกะสีก็บาดดีบุกสังกะสีดีบุกผิดบาดตะแยนเลดไม่ได้พิดบาดเครือกก็ไม่ได้ดพิดพอจักท่อในบาดเล็บพันมวกสัง่งเพื่อทางร้าเป็นปัญหากันเรื่องบาดตะแยงเลนนี้เฮาพอปเป็นเฮาได้ยิ่งคลาแคลน เ้วพาคือกันถึงพาคนทั้งหลายก็เป็นปัญหากันยุ่งเรื่องล้มูเทศตอนไหนวินกลับสะกันผ่านจะคอยมาถอนกันป้องจะมาถอนในจังหวะฟินถุเลยใส่รัวยุ่กับล้มภูมันใช่แบบล้มูมันล้มภูมหาเข้าใส่ไเสมอนี่ยผ่านอกจกผ่าไกลไปแล้ว พายเียว่นอาศัยกาอธิษยานเป็นบริคานโจรโจรแปลว่าไส่ของภายนอกพลังงานสังันที่ไส้ยู่นั่นในพระมหาสมณราชเจ้าคนไหวไหวในมีได้มุกเหลือนั่นมา่ า, านในน้อยจะเป็นบริคานโจรได้วั่งล็บกปุ่หหันบริดลของสั่งสีพุทโธให้หน้าเนี่ก็ตามมาสั่ใส่นอกไกลก็เรียกว่าโจรพลังงานแต่ส่วน ถ้ามจีวานเนี่ยเท่าจีวานพระเคก็ดีเกินกว่านั่นก็ดีมันก็นกนมีอยู่แล้วอนอ่างมีพระจีไปเพชรพอของพระพุทธเจ้าหรอกถาจีว่านอาศัยนี่ขันติไสโย่ต้องมอา พ, พิกลเพลินวางใช่ชี้ไสโยกับเพี้ยนทูแล้วกับอธิษฐานเป็นบริการโจรคนอ่อนสิแจ้งหาหมว่าให้อธิษฐานเป็นเป็นผาคล้องผ่าสองไก่ ปบอบัตทุกฏผู้ใดใส่ผ้าชอไก่ปบวัตทุกฏผ้าใส่นี่ผ้ า, า, าส บ, บู่ศัยก็เหมือนกันผ้าอามน้ำก็เหมือนกันอธิษฐานในบริขารจนคำิทผ้าอาน้ำฝนเหรเส้นพิณถุนี่มังพิณถุกระปังเก่าขนาดอันยูรับหลว ง, งปู้เทีตองกลซะก่อน ทนมาเปิป ม, มีซื้อค้กลับององจากองยังคอถอนทนาชีวิตกลับเพยยังน่อกูมันวกลับไม้พวกมาสิเกไว้เป็นส่วนตัวมันเกินชีวันนี่ังสิเก้ใบส่วนตัวเกินชีวันชีวิตกลับเพงสใสเป็นบริการโจรนี่กก็พิอาทิบททาบริการโจรโิไม้พวกมาติเก้ใบส่วนตัว ด, ด็อกอันิกลับพนวางาาสัมมาไว้่ใส อะนี่ถามหลวงู่มหาอีกพาที่เข้าอธิษฐานแล้วเข้าบ้ได้ไใ่เน่มันเป็ยนนิสกี้บอกขนอยว่าบ่แล้วก็เาอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าต่างวเน่ว่าสันพ ร, ะ, นน ร, ะ, นนรนะสันก็พุทิก็เปลี่ยนนิสี้เนี่ยพระนเาเปลี่นแบบด้วสมุนพรันพุทา ว, ว่าบ่เกิดดูเาเมียน น, นี่ห <c oughs> ลวงู่มหาเอาแบบหลวงพ่มันเข้ากับเอาแบบของคนยูเสนอยื้อนำหลวงพ่อมันมัน ดุมพ่อไม่สองทางถือขังแต่แทใส่ดุมพ่อทางลุมก็มี่อีกเวลาพิกท่านึ้นก็ใส่ดุมใส่ดุมแปดุมเละครบปศชั่วทางดุมใจดุมเทิงก็ไดดุมพ่อก็ได้ี่คู่ว่านอหอ1นึ่งคู่สองคู่สามคู่4ี่คู่ฉนทั้งตีนว่านหอกี่คู่เป็นแปดอันว่านหอ โมปินเขาทั้งนอกทั้งในพุทธันวิทเพิ่์ดบอกเข้าอะทุขันหฮมออกเขาสิเ็นโทษมาสั่งวามหวัดบ่มันข้างมาสั่งเพื่อนะสร้างเข้าสั้งมากครับลบผู้มันแหละวะเพิรว่าสิปิ้นดุงไงออกกับตามสิปิ้นดูงนอกออกกัตามเพิร์ดบุได้ว่า์สิปินทัางนอกทั้งในออกก็แเลยได้สะดวกสาหรับอาจารย์ชิงพ้องใ่้มันปิ้นทั้งดุงไงออกเพื่อปฏิรัดทั้งดุงไง มันดูหน่อยแล <mel od ic> ้วมันบวเห็นขันมาแทนพรวามันบวชงายมาแทนเก็บบ๊อบิษจะปิ้นทั้งเพิ่งขึ้นก็ได้เก็บบ๊อบสิษปิ้นทั้งลุ่มล่องก็บบ๊อบพิษจปิ้นว่าเขานุ่งก็บบ๊ิบพิษปิ้นว่าออกนุ่งก็บบ๊อบพิษ๋วพูมันเพราะว่ามไหาว่าหายเสียกู้เทียอาจารย์มาแทน ผู้อาจารย์ผู้ที่คนเสื้อกับเสื้อเลยบเสือกูเืออาจารย์ไปเสื้อยังเงินพระพุทธเจ้าก็ูวันกลมาสดเพราะว่าบ่อแล้วอาจารย์นเสื้อกับเสื้อเละอาจารย์นเสื้อกับเสื้อนี่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติศอมันะเป็นการบากง่ายขึ้นอีกตัวละ่ แล้วว่าเป็นที่ขนาดยังมาแล้วเป็นแถวกอนโดคาว่าสัน ต, ติเหรอท่านมอเมอยน์มอเรมว่าว่าจะโอ้ขึ้นนะยังมาแล้วเป็นแถวคอนโดคาว่าสันติเพราะฉันว่าจะโอ้ร่าขึ้นมอเร็มอยน์ไปเรืวยกันก็ได้แั่นี้มันเท่ า, า, าไหรล่ <c oughs> หรรละเวลามองลูกนะห า, หา่มบอกลู 可怜呢。